คุณศาสนาเข้ามาก่อนเลยนะศาสนาคาประจําสวัสดีจ้าคุาณศาสนาสวัสดีอ่าคุณมศการคาผ้าอาจารย์วันนี้จะรายงานพระอาจารย์รู้สึกว่าเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะพระอาจารย์เอ่วาที่พระอาจารย์อะบอกว่าอย่ากลัวความเจ็บใช่งไหมคะแล้วก็เอก็งได้อที่แล้วก็ได้ เริ่มนั่งเนี่ยตื่นตีสี่คือขยับเวลาให้มันเยอะขึ้นตื่นตีสี่แล้วก็นั่งชั่วโมงครึ่งเพื่อจะได้ให้มันผ่านความเจ็บหลังจากวันอังคารที่คุยกับพระอาจารย์นะะ่ยค่ะพอวันพุธก็เริ่มตั้งนั่งอะ่ะรู้สึกเลยว่าแบบคือไม่ไม่ไ ม, ไม่คืออยากจะถามพระอาจารย์ว่าเราคิดถูกไหมเพราะว่าความเจ็บมันหายไปเลยอย่างพระอาจารย์คือเรารู้สึกว่าเอาว่าคือแบบถ้าจะรักสกฤญาทิฏฐิอะแค่ความเจ็บยังล้ักไม่ได้มันจะไปต่อได้ยังไงก็เลยคิดว่ายังไงเราก็ต้องลองดูว่ารักความเจ็บเราก็เลยคิดว่าความเจ็บเนี่ย มันเป็นสิ่งไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วมันก็มีดับแล้วก็เราต้องอย่าอยากให้มันไม่ไม่อย่าอยากให้มันหายเจ็บคิดว่าถ้ามันเจ็บแล้วก็แล้วก็นั่งไปแล้วก็ให้มันอยู่กับมันให้ได้ปรากฏว่ามันเหมือนใจมันไม่ทุกข์กับพระอาจารย์เลยนั่งได้แล้วก็ชั่วโมงครึ่งนี้คือมันก็คงมันก็อาจจะมีเจ็บนะแต่ไม่รู้สึกแล้วหาพระอาจารย์นั่งได้สงบก็สงบไปนะคะคือรู้สึกว่า ถ้าดีใจมากก็เร็รู้สึกว่าเนี่ยอาจารย์แล้วก็นั่งสมปงครึ่งตอนเช้าหนึ่งชั่วโมงตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นก็ได้เป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วเพราะมันคือตั้งแต่วันพุธที่แล้วนี่ก็คือมันก็คือความเจ็บมันไปมันมันหายมันไม่ได้หายนะอาจารย์แต่ว่ามันมันเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าเออมันเป็นความเจ็บที่เราเรารู้ว่ามันมีความเจ็บแต่ว่าใจมันไม่ทุกข์มันก็เลยมันเลยทนได้ซึ่งปกติแรกงจะทนไม่ได้เลยว่าอาจารย์ต้องลุกขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่ต้องลุกค่ะแล้วก็ลององนนัั่ไปื้ม เจ็บหลายหายรอบดูดิเป็นยังไงบ้างเจ็บหลายรอก็คือเพิ่มเพิ่มชั่วโมงขึ้นไปนั่งต่อไปปัญหาเจ็บก<า>็นั่งต่อไปค่ะเดี๋ยนั่งเพิ่มเวลาขึ้นคือที่ ท, ที่ที่ลูกคิดถูกไหมคะคือคิดที่ที่คิดว่าความเจ็บมันคือมันคือแบบอย่าไปให้มันหายใช้คิปเหมือนกับว่าพยายามใช้อริยสัจกับไตรลักษณ์คิดรวมกันด้วยะค่ะ ก็แล้วก็เลยแบบลองดูว่าเรานั่งแล้วก็แล้วก็ดูลมถึงไม่มีลมแล้วก็แล้วก็แล้วก็นั่งต่อไปออให้มันจิตสงบให้มันเข้าให้มันอยู่ในสมาธิให้มันสักตะวารู้ให้มันไปขาไปนั้นๆไดะเราต้องขอผู้คุณพระอาจารย์เพราะว่าแบบเข้าใจเริ่มเข้าใจที่พระอาจารย์บอกว่ามันต้องมีสติแล้วสมาธินานๆแล้วมันจะเข้ามันจะแบบมันจะเข้าใจมันก็จะเข้าใจได้ทีละส่วนทีละส่วนะ มันมีเเข้าใจจากที่การปฏิบัติแล้วที่มันพอมันมันเริ่มผ่านมันไม่ได้ค่ะอถ้าทําไปเรื่อยๆน ะ, ะมันไม่แน่เดี๋ยวอาจจะไปเจอความเจ็บที่หนักกว่านี้ดูซิว่าจะรับไหวไหยอันนี้ก็คือเป็นแค่เรื่องทุกขเวทนาเราต้องตัดอันนี้ให้ได้ก่อนใช่ไหมคะก็ะต้องให้มันเข้าใจธรรมชาติของเวทนาว่าเป็นตายรักอันนี้จำทุกขับอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยสเยสุขเดี๋ยวทุกข์มันกับสลับไปสลับมาเรามีหน้าที่ทำความเข้าใจแล้วก็อยู่กับมันไปใช้ศัพท์ว่ารู้ใช่ไหมครอาจารย์เอาไปเจ็บท้องปวดหัวก็ไม่ต้องไปกินยาหรือมันก็ไม่เที่ยงหรือมันไม่เที่ยงหรือมันเป็นอนัตตาเอาไปไม่ต้องกินยาแก้ปวดตะองปฏิบัติธรรม ไม่ต้องไปหาหมอใ ห, มให้มันปวดสักสามวันก่อนให้มันไม่หายก่อนเราค่อยไปหาหมอค่ะไม่ใช่คนสมัยนี่ปวดนี่ปุดวิ่งไปหาหมอกันนะพระอาจารย์เน่ยรู้ว่าเคยผ่าตัดตานะพระอาจารย์หมอก็าถามว่าจะยาสลบไหมผ่าสามชั่วโมงเป็นจอเป็นหมอฟันนละจอภาพปลุดก็รู้สึกว่าเออไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ฉี่จชา น, นะพระอาจารย์ก็เห็นเลยเขาผ่ามาก็าเลือดกระะฉูดเต็มลูกตาแล้วก็พอผ่ามาเสร็จปุ๊บเนี่ย หลายคนกินยาแก้ปวดแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทานนะคะก็คือว่าตอนนั้นเนีก็ยังก็คือฝึกตั้งเองก็ก็สวดมนต์แล้วก็มันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะคะจากตอนนู้นนะคะแกลาว่าตอนนี้เข้าใจมากขึ้นาจิตเป็นอุเบกขาแล้วมันรับความเจ็บได้มันอยู่กับความเจ็บได้ไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจก็ดูมันไปก็สักสองสามวันก่อนหายหรือเปล่าถ้าไม่หายก็ค่อยไปหาหมอก็ได้ถ้ามันยังไม่ มีบางบางทีมันเป็นแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองไม<ะ>่ต้องไปหาบา<ะ>งคนเป็นอันนี้เป็นหน่อยวิ่งหาหมออยู่ตลอดเวลาบางทีเปถึงไปถึงหมอหายแล้ก็มีห<ะ>มอเลยงงก็มาหาอะไรวะเจิบๆไปเองค่ะก็คือเ<ะ>หลือแคน่นั่งนั่งเพิ่มเพิ่มให้นั่งให้มันนานขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมารายงานพระอาจารย์ถามนิดนึงนะคะในสติปัฏฐานเนี่ยไอ้ตรงมักมักแปดอะข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยมันมียาน จะอะไรนะจะตุจ ะ, จะตุยานที่มีสี่อันนะคะมันคืออสุดท้านคือ <circular ly, S 1> านที่สี่จะตุยานนี่คืออุเบกขาใช่ไหมที่บอกว่านั่งแล้วปิติปิติอะไรอะปิติวิจารณิหายไปแล้วมีวิตกแล้ววิตกวิคืออนั้นมันคือเป็นชาเป็ น, นเป็นญาณหรือเป็นชาเนี่ยใหญ่อ๋อเป็นยานห น, นึ่งถึงสี่แล้วก็ยานสี่นี่คืออุเบกขาใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเป็นชาสี อ่านอ่าอัปปนาสมาธิฌานสี่จังค่ะเพราะว่าท้องไปบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังพระอาจารย์ที่ที่เข้าใจมากขึ้นคือได้ฟังพระอาจารย์ทุกวันแล้วก็เปิดอ่านที่การที่ท่านเทศเลคะ่ะมีความรู้สึกว่าอันนั้นดีมากๆเลย เดี๋ยวจะไปลองดูว่จะหาแบบสะสมที่ทนเทศมาเยอะๆแัๆ้นั่งใจยังไงเพราะเพราะอ่านปุ๊บเนี่ยมันคือตัวเองอาจจะมีคนชอบอ่านพระอาจารย์คือรู้สึกว่าเออมันเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฟังพระอาจารย์ทุกวันก็แล้วก็นั่งสมาธิทุกชั่วโมงเนี่ยพยายามอาจารยจะพยายามทำเลยนะคะอาจจะเป็นถ้าเกิดไปข้างนอกเนี่ยมันอาจจะสองชั่วโมงหนึ่งไม่ได้ก็เป็นสองชั่วโมงแล้วก็รั่วเป็นสองชั่วโมงสิบนาทีแต่ถ้าเกิดชั่วโมงนึงก็จะเป็นห้านาทีมันก็รู้สึกว่ามันได้ฝึกสติก็จะพยายามทําสติให้มมันมากๆที่สุด ถ้าอยากจะอ่านหนังสือของเราเข้าไปในกรรมฐานน่าดอทค่ะใช่ <นา S 2> ใ ช, ใชกดเข้าไปดูค่ะเป็นเป็นตัวหนังสือนะใช่เป็นตัวหนังสือนะ ก, กดเข้าไปอ่านตลอดแต่ว่าอยากอยากจะได้ทั้งหมดนะเลยพระอาจารย์มันต้องมารอถ้าอาจารย์ส่งมาทีละบทจะรู้สึกว่าต้องรองไปในกรรมฐานน่าดอทคอม k a m m a k a m เข้าไปแล้วมันจะมีทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ไม่แน่นเลยมีทั้งหมดหนังสือวิกําลังใจกับจุลธรรมนําใจเนยเข้าไปเราเดี๋ยวลองเข้าไปดู จะมีที่ได้อ่านหมดอ่านอ่านกำลังใจเนี่เข้าไปดูค่ะจะอยู่ในนั้นหมดเลยเป็นไฟล์ pdf อ๋เป็น pdf ไม่ใช่ html ค่ะอ่านได้ที่ที่เขาส่งมาให้อ่านในใช่ใช่แต่เขาอ่านนี่เขาส่งทีระบดเลยอาจานี่เอามาจากที่นี่อ๋อค่ะเดี๋ยวเราไปกดดูเพราะว่ามันมีทีระบทเราต้องรองรอวันนี้เมื่อจะส่งมาแล้วทีจะอ่าน ใชเราเ้าไปดูไม่ตั้งแต่บทที่หนึ่งจนะตั้งถึง400ก่เนียใช่ใชดีมากเลยครับอาจารย์ค่ะผอไม่นะ K A M M A K A M M A T T T K A M M A P T T T นะ p T แล้วก็ H A N A H A N A ค่ะ H A N A H A N A กรรมฐานนะกรรมฐานค่ะ บทค<ง>วามบทความงอค่ะอาจารย์จะได้ไปอ่านดีมากมเพราะเป็นคนชอบอ่านอ่านได้เร<ช>็วแล้วก็วแล้วมันเข้าใจไอพีดีโอแล้วต้องห า, ามันมัน ม, มีหน้าเดียวแต่มันเป็นภาษาอังกฤษครึ่งหนึ่งแล้วภาษาไทยครึ่งตอาเนื่ อ, ง ล, อลงมาที่ภาษาไทยแล้วก็ยังมีให้อ่านกําลังใจมีให้เช็คเข้าไปดูแล้วมีหนังสืออื่นๆให้ดาวน์โหลดได้เยอะแยะมาหนังสือประวัติ ของลวงปู่มั่นหลวงปติปทานหนังสืออะไรสายไว้ในนั้นหมดนยู่ได้ได้พระอาจารย์ไปดูกรรมฐานนน com เค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วที่ไม่ได้มาเพราะว่าแต่ไม่ได้ทํางานหาตังค์นะพระอาจารย์ก็คือทํางานทํางานส่วนกลางช่วยคือเราทํางานช่วยในสมาคมมีลูกอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์คือยังทำงานส่วนนี้อยู่เพราะว่าเราคือแบบเหมือกับ ว, ว่าช่วยเหลือ ช่วยเหลือในในในในโรงเรียนของของลูกไปอยู่อ่ะอาจารย์ก็เป็นการเป็นการกุศลใช่ไหมวิทยาเจ้าค่ะวันนี้แหละวันนี้คุณพนีค่ะก็จะมารายงานว่าเออลูกก็ดีใจที่มันผ่านไปได้เดี๋ยวจะไปนั่งต่อก่อนโอเคอาจารย์อย่าไปตื่นเต้นเดี๋ยวคราวหน้าจะสู้มันไม่ไหวก็ไม่เป็นไร ได้สำหรับฝันแคบบ้างชนะมากมีกําลังใจเพราะอาจารย์เพราะว่าอย่างน้อยพระอาจารย์มาทุกวันทุกวันแล้วก็ได้มาฟังสุ่มรู้สึกว่ามีกําลังใจเพราะสมัยก่อนทําเองทําไปก็คือทําไปก็แบบมันก็ไม่รู้ก็ทำไปเรื่อยไม่ไม่ถูกก็ฝาไม่ถูกใช่ใช่ค่ะไม่เข้าใจคําว่าสติกับสมาธิเลยสมัยก่อนนะคะก็คือรู้ว่านั่งสมาธิไม่คิดว่าสติสำคัญเนี่ยพอมาฟังพระอาจารย์อ๋อมีหน้าทํำไมนั่งไม่ค่อยได้เพราะว่าเรารู้สติ แต่จริงๆสติเคยฝึกจากท่านติณธันนะคะเคยเคยเคยทุกอย่างเลยท่านติณธันที่เป็นภระเวียดนามค่ะก็ฝึกสติอันนั้นคือแบบมันก็ได้บางบางส่วนจากท่านเยอะเลยจากคุณสติค่ะอืนั้นก็ได้มาเพราะเคยไปเหมือนกันโอเคนะเดี๋ยวไปที่ท่านต่อไปขอบคุณายทิพย์สายทิพย์จากมหาสารคามเป็นยังไงสบายดีนะนมัตการพระอาจารย์ค่ะก็ยังปฏิบัติ แต่ว่าไม่ก็ไม่ได้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าด้วยความงานเยอะแล้วเหนื่อยแต่ว่าพยายามรักษาสัจจะที่ที่บอกพระอาจารย์ว่าจะพยายามนั่งสมาธิทุกวัน mm hmm. แต่บางวันก็เผลอเผลอหลับค่ะสะดุ้งตื่นตีไหนไม่รู้ค่ะก็อุ้ยมานั่งสักหน่อยไม่อยากเสียสัจจะแต่ว่านั่งแบบง่งวงๆพอให้รู้สึกว่าเอยนั่งแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าระหว่างวันบางบางครั้งรู้สึกว่าเราอยากนั่งสมาธินะ ก็นั่งเลยค่ะหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเออช่วงนี้เราอยากนั่งสมาธิแล้วมันก็จะสงบนั่งตอนไหนได้นั่งไปเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะเหมือนแบบสมาธิก็ไม่ค่ะตอนไหนที่รู้สึกสะดวกเองก็นั่งเลยรู้สึกเอ้ยตอนนี้อยากนั่งสมาธินะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำงานนั่งสมาธิก่อนเพราะว่าถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่างานมันจะทำ ให้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นจิตการนั่งสมาธิบางทีถ้าเป็นช่วงที่เหนื่อยค่ะมันแต่ถ้าช่วงเหนื่อยแล้วนั่งสมาธิเหมือนเราพยายามค่ะมันก็เหมือนจะวึบแล้วก็เหมือนก็รึบแล้วก็ออกมาใหม่เองมันเหมือนอมันเหมือนยังไม่ถึงที่เราเคยสงบหรือว่า แบบนิ่งๆสว่างอะไรเงี้ยค่ะมันมันวุดไปหน่อยนึงแล้วมันก็ถอยกลับมาใหม่แต่มันจะจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินหนูไม่ค่อยเดินจงกรมเลยค่ะไม่ถนัดเดินจงกรมก็เดินธรรมดาเนี่ยแล้วก็พูดโธพูดโทรไปไม่ต้องทำอะไรลองเดินดูง่าย่ะตายเลยอ๋อเดินไป้วก็ดโทรพูดโทรไปดูดูเท้าไปกันข้างขวาข้างขวาไป <า>เดินเพื่อให้ปลุกสติขึ้นบางทส ต, ติมันน้อยมากมันจะวุูนวุ่นยมันจะหลับค่ะทำมันนั่งเหมือนเหมือนจะง่วงง่ายค่ะเดินก็เดินไปนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหม่ค่ะเรามีอุบายเปลี่ยนพิกแพงอย่าใช้อุบายเดิมเปลนอุบายไปเรื่อยอ๋อค่ะ อโน้ตเดี๋ยวมันไปปวดหั ว, วเดี๋ยวมันปวดท้องเดี๋ยมันปวดแขนปวดขา้วก็ต้องไล่ตามเปลีป่ยนเปลี่ยนยาไปาารเรื่อยๆภาวนาก็เหมือนกันภาวนาแล้วก็สับปะหลงนี้ก็ลองลุกวัวเดินเดินก็มีสติอยู่าการเดินก็ได้สร้างวขวาเ้ขวาไปแล้วเดินแล้วพุทโธพุทโธไปก็ได้อืบางทีก็สวนดนะ์ไ ทิที่ไปสูภาควาอ า, าราม ส, สัมมาสัมพุทโธลองหลายๆายแบบดูอันไหนมันดีก็ลองแบบนั้นแต่ถ้ามันอาจจะก็คื อ, ก, อก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วแต่ว่าเราจะมีสติกับกับแบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะได้วควา ม, มที่เราอาจจะคิดว่าเราชอบนั่งค่ะเดี๋ยวหนูจะลอง ค่ะแต่บางทีถ้าช่วงช่วงเดินหรือช่วงอะไรก็ค่ะมีอะไรจะถามไลยวันนี้อ้าไม่มีแล้วค่ะก็คงเป็นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ค่ะให้ให้ให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะจะพยายามเปลี่ยนรูปแบบด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยมารายงานพระอาจารย์คราวหน้าค่ะได้โอเคนะเอาท่านนี้ก่อนนะค่ะเดีไปท่านก่อค่ะค่ะ แต่ชุกข้าโยมจากเยอรมันชื่ออะไรนะแานโยมจากเยอรมันค่ะท่านได้ยินโยมไหมคะนรวัศ ก, การค่ะชื่ออะไรนะชื่อเวลาซินีคะ่ะเวลาซินีโอเคค่ะวันนี้โยมโชคดีหน่อยทำ o m มอ f ฟ i ิ e ค่ะเลยรีบจาัด ก, การเวลาตัวเองให้พอดีอ่ายถ <c oughs> ึมันนี้อยู่บ้านทำงานเนะใช่ค่ะ โควิด <COVID S 1> ม, มันระบาดมากอะค่ะแล้วพอดีโยมถูกจับตรวจด้วยเขาก็เลยต้องให้กลับตัวค่ะอแล้วเป็นไงผลออกมาแล้ยังนก็ทีฟค่ะ ม, มันช่วงที่ผ่านมาไม่สบายค่ะปวดเนื้อปวดตัวอย่างมากเขาก็เลยที่นี่เขาปลอดภัยไว้ก่อนนะคะใครถูกจับแล้วก็ตรวจก็ให้ทำงานจากบ้านหมดเลยค่ะดีดีค่ะวันนี้โยมก็เลยได้มาแต่หัววันเลยค่ะอืมมีอะไระมีอะไรจะรค่ะ ที่โยมกับเรียนท่านพระอาจารย์ไปที่บอกว่าโยมจะพยายามกําหนดสติให้อยู่ตรงปากตรงจมูกตลอดเวลาค่ะโยมก็พอทําได้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอทําอย่างนี้รู้สึกตัวครั้งไหนก็สะกดเอ่ำกำหนดจิตนะคะให้มันรู้สึกตัวอยู่ที่นี่ตลอดเวลาโยมมีความรู้สึกว่าเวลาทําอย่างนี้แล้วไปนั่งนะคะพระอาจารย์มันสงบไยมากเลยอะคะ่ะดีดีอัานไหนใช้ได้ก็เอาอันนั้น ตระนะนคสงบ ไ, ไว้มากแลก้วก็ไอ้ตัวที่มันเป็นโพมใช่ไหมคะท่านมาจารย์มันละเอียดมากเลยคะ่ะละเอียดแล้วเย็นเย็นแบบเหมือนน้าแข็งเลยคะ่ะ<อ>ปกติยม<อ>รู้ตรงตรงครงึ่งปากครึ่งจ ม, มูกใช่ไหมคะแล้วพอนั่งไปสักพักมันลงไปในคอคะ่ะแล้วเย็นั่นก็ให้มันสงบแล้ว ก, กันให้มันสบายคะ่ะเย็นเจี๊ยบเลยค่ะอืมแล้ว ไม่รู้ยมอุปทานหรือเปล่านะคะทํานอาจารย์ยมมีความรู้สึกว่ามันมีแรงอะคะ่ะเหมือนบางทีแบบถ้าเราประคองไม่ดีเหมือนจะหงายหลังเลยะคะ่ะไม่รู้มันไม่รู้มันคืออะไรอะคะ่ะก็ไม่เป็นไรพลังจิตเนี่ยแหละจิตไม่ได้สงบมันสามารถพลังฤทธิ์ได้มีฤทธิ์มีเดชได้ยมตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเราง่วงหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่คะ่ะยมไม่ได้ง่วงมยมแบบ นั่นนะคะสติดีมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกสุขสบายมาคนนั้าตัวลอยก็นีแต่ไม่ไปอยากไปทีก็ไม่กล้าไม่กล้าจะพูดนะฮะกลัวจะแบบว่าเป็นบ้ามันไม่ขัดขัดกับความนู้สึงเดี๋ยวคุยนเดินเยก็ไม่เข้าใจใช่ค่ะแต่คุยกับกลุ่มปฏิบัติได้ไม่เป็นไร่มปฏิบัตินโน่นนะแล้วก็ไม่ได้ไปเจอเขา แต่ค่ะถ้ามันคุยกับพระอาจารย์นิลมุสึกมันคุยได้หลายอย่างนะคะมุมควาสึก<ม>แต่โยมจริงๆค่ะท่านอาจารย์นุมรู้สึกว่าโยมประคองไม่ดีโยมจะหงายหลังเลยค่ะเออย่างั้งหลายหลังลนั้นแสติอะไรไม่ดีต้องสะเต๋อ ส, สติแล้วต้องถ้ามีสติต้องคุมคุมตัวเราเองได้ค่ะพอมันแสด ง, งอาการเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันก็นได้ค่ะ ยมมีความรู้สึกแค่ว่าพอทําอย่างนี้กํากหนดกติทั้งวันแล้วไปนั่งอยาอยนอย่าปล่อยมันบางทีต้องคุมมันค่ะมันเรื่มแสดงอาการและวเวลาเขาต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันหยุดเพราะเราต้องเราไม่ต้องการอาการเราต้องการความว่างต้องการความสงบค่ะไม่มีอะไรค่ะมีแค่นี้ค่ะที่ทามาทั้งอาทิตย์อยู่ที่เมืองไหนนะอยู่ที่เดสเดนค่ะ บสเซนมันอยู่ทางไหนของเยอร ม, มันอันดับวันกเน่ยอยอ่บสเซนเมื่อก่อนนะคะทันพ ajar เป็นเยอรมันตะวันออกค่ะพอรวมออกมาแล้วมันอยู่แบบตะวันออกอยู่ไกลจากเบลนสักสองร้อยห้าสิบกิโลค่ะออกไปทางชายแดนเช็ก ค, ค่ะเนี่ยไปทำํำอะไรที่นั่นนะอ่ะโย<ม> น, นที่ไห น, นค่ะโย ม, มาเรียนหนังสือที่นี่แต่งงานแล้วก็เลยทํางานที่นี่เลยค่ะอ่าเป็นใช้ชีวิตอยู่ที่นี่งานอะไรทั้ง โยมจริงๆโยมเป็นทําวิจัยคะ่ะทําวิจัยเอ่เกี่ยวกับโรคมะเร็งคะ่ะที่ทโรงพยาบาลในมหาลัยทำเป็นยาเอกะอะค่ะแล้วก็พอตัวเองมาป่วยเป็นโรคมะเร็งซะเองโยมก็เลยเลิกทําเลยคะลย <c oughs> ่ะไม่เอาแล้วคะ่ะอ่าแล้วตอนนี้รักษาหายยังรักษาหายแล้วคะ่ะผ่านมาสักสามปีครึ่งนี่แหละคะ่ะเพราะพอโยมเป็นปุ๊บโยมก็ทําภาวนาเลยคะ่ะท่านพ่ออาจารย์อ อันนี้ใจภาวนาตอ น, น, นที่รับคีโมอะค่ ะ, อ, ะอันนี้ใจไม่ทุกข์กับมันนะไม่ค่ะทําใจได้ค่ะพระอาจารย์ถ้ากะจะกลับมาเป็นอีกก็ทําใจได้ค่ะแ ต, แต่เจ็บตายนะห้ามมันไม่ได้ค่ะเป็นว่ารักษาไปค่ะยังโชคดีที่ว่าเรารักษาได้ดีที่นี่ค่ะเทคโนโลยีสุดยอดแล้วก็ก็ตามนั้นนะคะเป็นว่ารักษาค่ะอดีที่เมืองอยู่นี้มีคนไทยเยอะไหม มีเยอะค่ะท่านพระอาจารย์แต่ยมไม่ได้ติดต่อกับใครเลยคะ่ะยมียเคยไม่มีค่ะไม่มีมมเลย<ม>ค่ ะ, คะท่านพระอาจารย์ยมลำบากมากค่ะถ้าจะไปถ้าอยากไปวัดไทยจะต้องเข้าเบอร์ลินค่ะ250กิโลใกลเหมือนกรุงเทพโคราชเลยน ะ, ะใช่คะ่ะแล้วได้กับมาเยี่ยมบ้านแล้วอปล่า ปีครึ่งปีที่แล้วอะค่ะก่อนที่โควิดจะจะมาค่ะกลับมาครั้งหนึ่งค่ะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พาเด็กๆไปกราบตาคุณยายแล้วพอโควิดมาได้ไปค่ะปีนี้ก็คงจะไม่ได้ไปอีกตามเคยค่ะบ้านอยู่ที่ไหนบ้านบ้านเดิมใช่ไหมเป็นคนจังหวัดน่าค่ะอะไรนะจังหวัดน่านค่ะท่านพา่จัออ น, อ, น, นอยู่ทางเหนือนนค่ะน่านน่านไปเที่ยวอยี๋ยนี้คนชอบไปเที่ยวเน่ะ ใช่ค่ะสมัยยมอยู่เมืองไทยไม่มีใครรู้จักค่ะบอกว่าอยู่อำเภอปัวไม่มีใครรู้จักเลยแต่เดี๋ยวนี้คนแห่ไปปัวกันจนแบบรถติดเลยอะค่ะใช่คนเดี๋ยนี้รักธรรมชาติกันมากใช่ค่ะก็แม่บอกว่านักท่องเที่ยวเยอะค่ะช่วงที่ผ่านมามแล้วอยู่เยอรมันมากี่ปีอะยมอยู่มาสิบแปดปีค่ะอ๋อแลนะแถมยังไม่จบเรียนอะ ท่านพาจารย์คะยมไม่เอาแล้วคะ่ะปิญญาเอกตั้งแต่ยมไม่สบายยมสามปีแล้วยมหยุดแล้วก็ยมยมคิดว่ามันไม่ใช่ทางแล้วคะ่ะยิ่งเรียนยิ่งทุกข์อะคะ่ะไปทํำปิญญาตั้งแต่ระดับไหนตั้งแต่ปีโทเอก<ำ>ครับทําโทเอกคะ่ะเอ้ยทำมาจบโทจากเมืองไทยแล้วมาต่อที่เยอรมันตอนนั้นผยังไม่มีโทอะค่ะเขาเรียกดิปโลมอะค่ะอืม เป็นแบบโทไอตรีกับโทพร้อมกันของเยอรมันนะคะแล้วพอช่วงหลังๆตอนยมจบดิพ لوم มาแล้วก็ถึงเอาระบบของอเมริกามาใช้อ่ะค่ะเป็นตรีโทเอกค่ะยมมาจบดิพ لوم ที่นี่ใช่ไหมคะมาเรียนซ้ําอีกรอบนึงได้ดิพ لوم แล้วก็เอาดิพ لوم สมัครเรียนต่อเอกค่ะแต่ตอนนี้เอกยังไม่จบเลไม่เอาไม่จบค่ะไม่เอาแล้วค่ะตีพิมพ์เปเปอร์ไปหมดแล้วแต่ไม่เอาแล้วค่โอเคไม่สาคัญนะถ้เราไม่เดือดร้อน มีหลวงพ่อท่านบอกว่าให้มาทําปิญญาเอกทางชีวิตดีกว่าค่ะทํามาทําให้มันจบซาอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องทุกร้อนอีกประมาณนะคะมาเอาด้านนี้นาคาอาหันดีกว่าทุกข์ค่ะท่านมาทรานค่ะรู้ทั่วหัวตัวไม่นอนทางทางออกยิ่งทุกข์มากเข้าไปอีกอค่ะเรียนเยอะ ท่าทางรู้ทางทางยิ่งมากเท่าไหร่ทุกยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆเราหมดไปเลยต่อไปโอเคนะได้ได้คุยกันเดี๋ยวฟังตอนนะให้คนอื่นกันค่ะกลับขอบคุณค่ะคุณอนที่อาห้าไหวยังไงคุณอนที่จังนาเกลืออ๋อน้มัสะการค่ะอาจารย์เออเขาก็ไร่ได้ไม เอ่อจะถามพระอาจารย์ค่ะวันนั้นหนูไปนั่งสมาธิตรงวิหารพระเสียอริยาเมตไตรอะค่ะแล้วหนูนั่งเปิดพัดลมพอดีวันนั้นอากาศมันร้อนเปิดพัดลมใส่หน้าแล้วพอนั่งแล้วแบบแต่รู้เลยอะค่ะลมมันประทะเราอ่ะแต่เราก็เห็นลมที่ปลายจมูกตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเห็นลมเข้าลมออกของเราอย่าเงี้ยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะพระอาจารย์ไม่งไงว่าใหมดหนูบอกว่า หนูนั่งสมาธิแต่ว่าหนูเปิดพัดลมอะ่ะพัดลมมันจาะมาที่หน้าเราใช่ไหมค ะ, ะความรู้สึกะ่ะรู้เลยว่าลมมันพัดแต่หนู่มองเห็นลมตัวเองอลมที่ปลายจมูกตลอดเวลาลมเข้าลมออกแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็ดูลมของเราอย่าไปดูลมพัดลมก็แล้วกันไม่ได้ดูลมไงถว่าเราแค่มีความรู้สึกรู้สึกว่าลมบัทะตัวเราใช่แต่แต่เราสนใจ อ่าใช่ค่ะแต่ว่าลมที่ต้นปลายจมูกก็ยังอยู่ตรงที่เดิมเราก็ยังเพ่งอยู่ตรงที่เดิมคือหนูดูแบบต้องแนะคะค่ะลมอยีางอื่นมันจะพัดมาก็ปล่อยมันพัดไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะแล้วก็เอ่อทุกอย่างช่วงถ้ากลางวันอย่างเนี้ยยังไม่ได้ไปวัดอ่ะจะนั่งสมาธิไม่สะดวกหนูก็ใช้พุทโธพยายามพุทโธตลอดอย่างนี้ ก็ S <S ได้ใช่ไหมคะแล้วมันบางทีมันพุโทโธมันเหมือนมันค้างอยู่ในหัวเลยนะพระอาจารย์คือ น, นอนเย่างนี้บางทีลุกขเข้ามาเข้าห้องน้ำยังรู้สึกว่าเรายังต้องพุโทโธอยู่เลยอะ่ะ น, นอนหลับเราเพิ่งแบบตื่นมาเราก็พุโทโธมันค้างอยู่ข้างใ น, น, นตลอดเวลาเลยอ่ะเริ่มติดอยู่ในใจนะดีต้องการให้มันอยู่ในใจจะได้หยุดความคิดต่างๆได้ใช่ใช่พยายามไม่ให้คิดเรื่องอื่นเพราะพุทโธมันพอไม่คิดเราก็จะไม่ทุกข์อะอย่างนี้ก็ถูกต้องนะคะใช่ หยุอความคิดความคิดส่วนใหญ่ทำให้เราทุกข์ค่ะ <Okay. S 2> คับมั น, นก็ตาม น, นี้เลยค่ะเดี๋ยววันเสาร์หนูไปกราพผ้าจารย์ค่ะยาสาธุจะใชะ่คุณวิไลคุณวิไลเชิญอยู่ที่ไหนรู้สึกกล้องพุ่งไปที่เพาดานหรืออะไรไหมรู้ครับเห็นแต่เงานะฮะอืยังไม่พร้อ ม, ไมเไปที่คุณอื่นก่อนนะคุณพ ร, ริดาคุณพ ร, ริดา อยากสาธิตค่ะอไปปฏิบัติธรรมมาดีไหมดีเจ้าค่ะแต่ว่าคนจะเยอะค่ะคนเยอะอเยอะเยอะมากค่ะต้องหัดไปแบบที่ไม่มีคนนี่ปฏิบัติไ ม, <c oughs> ไม่ไปปฏิบัติกับคนเยอะๆต้องไปหาวิธีวิเวกอยู่คนเดียวปฏิบัติคนเดียวเจ้าค่ะแต่ว่าก็เวลาก็เวลามีคนเยอะหรืออะไรก็ ก็ ย, ยังยังยังอยู่ได้อยู่แต่บางทีถ้ามันเริ่มกระเพื่อมอะไรก็พุดโธพุดโถอ่าไปปฏิบัติคนเดียวยังไม่กล้าเลยกลัวผีเละต่อไปที่ไหนอะ่ะเจ้าคะก็ไปที่วัดยานก็คืออยู่คนเดียวแค่นั้นนะคะอ๋ อ, อวัดยานเคยมาแล้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะแต่ที่ อ, อ, อื่นยังไม่เคยที่อยู่คนเดียวเคยไปแต่ที่วัดยานที่อยู่คนเดียวคะ่ะ<ต>อยู่ได้ก็อยู่ในหอพักใช่ไหมอยู่รีแลกซ์ได้สบายอยู่ได้คนเดียว เราไปหาวัดที่เขามีแต่กุฏิอยู่คนเดียวดูวัดบุญญาวาสเองรู้จักไหมว่าจานตันไม่รู้จักเจค่ะวัดวัดบุญยาวาสอ่ะอยู่แถวแถวบ้านเมืองเลยอันนี้เป็นสิ่งห<อ>นึ่งตูช่าในก็รที่มีกุฏิเดียวเดียวเจ้าค่ ะ, จ, ะ, คะจำผู้ชายผู้หญิงไปอยู่ได้อ๋อเจ้าค่ะเดี๋ยวลองเซิร์ชดูอันนี้ก็ไม่รู้นะเพียงแต่ได้ยินนะอยาก อย่าแนะ น, นำว่าลองปฏิบัติเดียวๆดูในกันที่นั่นก็ไม่ได้มาทำกิจวัตรร่วมกันว่าให้อยู่ปฏิบัตินอก <c oughs> จากกินข้าวแล้วะก็ ถ, ถ้าถ้าวิเวกคนน้อยๆก็จะก็เป็นแบบจะสงบดีเหมือนกันนะคะอ่าจะได้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกองอังวลกับคน อ, <c oughs> อื่นค่ะก็จเป็นคนละแบบถ้าไม่เคยมันจะหนาวมันอาจจะรู้สึกอ่ หนูชอบอยู่คนเดียวเราเดินก็ได้เจ้าค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็ยังยังลองถามคุณหมูที่ดูแลบ้านพักที่คลองวัดยาือว่าไปอยู่บ้านพักเดียวได้ไหมลองถามคุณหมูบ้านพักเดียวถามคุณหมูเหรอคะอะมีคุณหมูที่อยู่ทํานักงานค่ะท่สได้ค่ะ เดี๋ยวเไปเพราะว่าหนูจองที่วัดยานไว้วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงถึงยี่สิบเจ็ดนะค่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวเขาไม่ให้ออกมาเลยนะเขาไม่ให้ต้องลงมาไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องมาศาลาใส่หมาอะไรอาหารก็ก็มีตู้เย็นให้ใส่อาหารเก็บไว้แล้วก็อุ่นเอากินเอาองคนเดียวไม่ต้องมาเจอใครได้ค่ะ <laughs> แต่ว่าเราก็ทําวัดเองใช่ไหมคะเ่ยทำวัดเองเดินโยกของที่ปฏิบัตหนูเคยนั่งทําที่บ้านที่ห้องพักตอนถ้าถ้าถือศีลที่บ้านก็คือนั่งก็สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเองแล้วก็ปฏิบัติทั้งวันอค่ะเ่ยอยู่คนเดียวดีกว่าปฏิบัติคนเดียวมันจะได้ผอดีกว่าเจะค่ะเดี๋ยวลองถามดูเจ้าค่ะ แต่ต้องมีวินยัยต้องบังคับตัวเองไม่ใช่อยู่คนเยอะก็นอนครอบครอบครอบค่ะไม่นอนหนูเคยหนูเคยไม่นอนตอนกลางคืนคือทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงได้มากสุดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะเอดีอย่างนี้ดีแต่ไม่เคยเกินนั้น<ช> <c oughs> ไม่ไม่ยังไม่กล้าในสัตว์ที่ได้ยี่บสี่ชั่วโมงมก็ถือว่าเก่ค่ะเคยได้ยี่บสี่ชั่วโมงมากสุดนะทำในยี่สชั่วโมงนี้ปฏิบัติหรือเปล่า ปฏิบัติค่ะก็สลับไปสวดมนต์<ม>เดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศ<ม>ก็สลับไปอย่างเงี้ยค่ะอยู่คนเดียวแล้วไปปฏิบัติร่วมกันตอนเคยอยู่คนเดียวตอนทำที่บ้านแล้วก็เคยไปอยู่ร่วมที่เขาทาเขาอยู่กันหลายคน<ม>ก็เคยค่ะมีไม่นอยกันทั้งคืนทั้งวันวิชาจาวันค่ะใช่ค่ะ<ม>แล็เคยที่บ้านครั้งหนึ่งทำเองแต่ว่าที่บ้านทำเองนี่จะแบบจะยากกว่า ยากกว่าเพราะว่าถ้าอยู่กับคนเยอะๆไม่มีใครคนดีเราต้องเราต้องดันตัวฝืนอ่าต้องฝืนง่วงแบบมันง่วงมากค่ะเราก็ฝืนต้องบังคับตัวเองให้ได้ต่างกันเลยสบายค่ะเอาชนะใจไม่ได้ค่ะแล้วก็เคยอดอาหารครั้งหนึ่งก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงได้แค่นั้นอะ อวันหนึ่งไม่ไม่กินหนึ่งวันค่ะบีมแต่น้ําออก็ดีทําไมทำไปเรื่อยค่อยๆฝึกถ้ามีโอกาสก็จะตั้งขึ้นมาเองอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อลองทําดูอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆค่อยๆเ <laughs> <laughs> พ <อ S 2> ิ่มเพราะไม่แน่ใจพอานอาหารแล้วรู้สึกช่วยช่วยให้แกงอะแกงง่วงได้ดีไหมแกงง่วงได้ดีไหมไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เจ้าคะ่ะ แต่ว่าหนูจะหนูว่าทรมานกับการอดนอนมากกว่าอความรู้สึกหนูค่ะอดอาหารก็ทรมานแต่ว่ามันยังมีน้ําำเดือมน้ําได้ค่ะแต่อดนอนเนี่ยถ้าตอนตอนที่หนูทําคนเดียวอ่ะค่ะอืรู้สึกว่าทรมานมากอืฝืนมากค่ะมันอยากจะนอนีเพราะฉะนั้นเราต้อง ไม่ถูกจริญกับเราก็ได้อ๋อการอ๋อการเป็นว่าไม่ถูกจริตใช่ไหมเจ้าคะคือว่าไม่ใช่ว่าเออถ้าถ้าเราทรมานคือเราต้องลองต้องทํำอ่าไม่จาเป็นใช้วิธีอดอาหารก็ได้อดอาหารก็ได้หรอกไม่ง่วงได้ค่ะแต่ก็อาจจะนอนนิดหน่อยนอนสองสามชั่วโมงสี่หชั่วโมงอ๋อหนูเข้าใจผิดตอนแรกหนูคิดเองว่านึกว่าเอ่อเราทรมานแล้วเราต้องผ่านมันมันต้องสู้กับมัน ใช่อนี้มันเป็นเครื่องมือไแต่ละคนอยาจะใช้ไม่เหมือนกันอ๋อเจ้าค่ะมัใช้กันไม่นอนบางคนก็ใช้การหดอาหารนั้นหนูไม่กินดีกว่าอ่าไม่กินดีกว่าหนูรู้สึกว่าไม่กินดีกว่าที่อาหารก็ต้องปฏิบัตินะไม่ใช่ค่ะปฏิบัติได้ดีกว่าเอถ้าถ้าอดนอนหนูรู้สึกหนูอไม่มีแรงง่วงนอนมันไม่มีแรงแล้วมันเผลอเผอมันก็จะเผลอหลับไปซะเปลาเปล่าอะค่ะ แต่ถค่ะถ้่างนั้นก็อย่าไปฝืนมันดีกว่าเอาแบบอดด้เจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวสามวันดูก็ได้สองสามวันดูแ้่หนูจะลองค่อยๆออกกำลังกายเพียก็อาจจะดื่มน้ํำปละน้ําส้มอะไรจริงๆวันนั้นรอบนั้นไม่ใช่ยี่บสี่ชั่วโมงด้วยค่ะรอบนั้นที่หนูไปที่วัดยาอะค่ะก็คือรอบสามวันอะคะ่ะสมวันเลยเนี่ยไม่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่เต็มถ้าเอาวันที่นับวันจริงมันไม่ได้เต็มสามวันนะคะ แต่ตั้งแต่หนูหนูอธิษฐานตั้งแต่รับศีลจนลาศี น, น่ะคะ่ะไดไ้ไม่กินได้วันนั้นสามวันไม่ได้กินเลยรอบนั้นค่ะ<ม>ก็รับศีลจนลาศี น, น, น่ะคะแล้วก็ามาทํากิจวัตรไหว้พระสวดมนต์ทำอะไรเอาไปใส่บาอยู่ค่ะแต่ว่ารีบกลับอาจารย์รีบกลับ <c oughs> เดี๋ยวเห็นอาหารแล้วแม่ไม่มองอะไรจ้าค่ะวันนั้นมันนั้นถ้าห็อาหารไม่ได้ออกมาก็ได้ไม่น้อ๋อได้เก็บตัวเลยเก็บตัวค่ะค่ะได้ค่ะ รู้สึกจะดีกว่าค่ะมนเฉพาะเรื่องมาสายบาตนที่ไม่ต้องมาเพระเห็นแล้ว<อ> น, น ม, น ม, นมนไม่ได้อ๋อเจ้าค่ะได้ค่ะถ้าร่างกายรู้สึกเพียก็บายๆก็ดื่มน้ำปานะได้น้ำน้าผลไม้อะไรอย่างนี้ได้เจ้าค่ะโอเคอเข้าใจแล้วค่ะหรือถ้ามันอ่อนเพียงจริงๆถ้าอดหลายวันอาจจะดืม่มนมสักกล่องก็ได้ช่วงก่อนเที่ยงอะไรเช้าถึงเที่ยงนี่ก็อาจจะดื่ม นมได้แต่มันต้องดื่มก่อนก่อนเที่ยงวันเพราะมันถือว่าเป็นอาหารอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเผื่อรอมไหนไปจะได้ลองไปค่ะแต่ถ้าไม่ดื่มได้ก็เก่งถ้าดื่มแต่น้ำเปล่าๆๆได้ดน้ำผลไม้ได้ดีว่าน้ำน้ำหวานอ่าน้ำหวานอนี่ก็ได้ได้ไดมันจะได้มีน้ําตาลมันช่วยให้มีกําลังหน่อยแต่อย่าดื่มอย่าไป ด, <ๆ S 1> ดื่มทางอาหารงงกันเ จะค่ะบางคนก็เลยดื่มเนื้อหั้าหวากินเดียังวันเอาแค่พอให้หายหายหิวหายเพียพออย่าไม่ดับความหิวโอเคค่ะค่ะแค่ว่าถ้าเรารู้สึกวูบใช่ไหมคะรู้สึกว่าอ่อนๆเพียๆไม่มีแรงก็เรากินนั่นหน่อยจะค่ะจะค่ะแต่ยังไม่กินเพื่อดับความหิวเพรรู้สึกว่าต้องนั่งสมาธิแทนค่ะพอจิตสงบแล้วมันจะไม่หิว หนูรู้สึกว่ารอมนั้นน่ะหนูเบาเหมือนว่าตอนเดินจงกรมตัวมันจะมันจะเบากว่ามันรู้สึกออได้ดีมันเดินมันเดินจงกรมได้ดีได้ก็เดินนานๆนั่งมานั่งนานๆชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มานั่งชั่วโมงหนึ่งเ่าไปลองสองชั่วโมงดูเดินสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงเหรออ่าถ้าทําได้ลองเพิ่มดูเดี๋ยวค่อยๆลองเพิ่มดูจะค่ะยาวมันจะได้ยาวเอือ มันจะได้ใช้สติมากใช้กําลังมากสู้กับกิเลสจ้ะมันจะปวด <Okay. S 1> ก็ปวดจะได้รู้ปล่อมันปวดไปแล้วก็ทําใจให้นิ่งเฉยไปดู เ, เบรกาไปจ้ะค่ะใช่ค่ะจะหิวจะหิวก็ปล่อยมันหิวไปไม่ต้องไปอถ้าทนไม่ไหวก็เข้าสมาธิทําจิตให้สงบกันนั่ตอนเข้าสมาธิก็พอช่วยได้บ้างอยู่พอออกมามันก็จะ มันก็จะอาจจะเจ็บตาไมันคิดถึงอาหารก็ให้นึกถึงอาหารในในปากในท้องครานั้นที่หนูที่ดูหนูคิดที่พระอาจารย์สอนว่าคายออกมานะตอนวจากกนรดูตัดกับตัดกับเข้าไปกินใหม่ได้ปะก็เลยไม่อยากกินเลยอ่ะไม่อยดกคิดถึงตอนที่แบบเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วคายออกมานี่อาจามน่อร่อยนักเลย เม่ตื่นเแล้วเจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวหนูลองถามเขาดูค่ะที่จะไปรอบยี่สิบเ อ, อ็ดถึงยีิบเจ็ดเนี่ยค่ะเออลองถามพี่หนูดูผู้หญิงหรือผู้ชายคะพี่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายแต่พี่ถามที่ออสานักงานก็นได้แล้วอเออบอกว่าอาจารย์บอกให้มาม า, มาถามได้เจ้าค่ะได้เค่ะเดี๋ยวหนูลองถามดูเจ้าค่ะอื แอนุ่นต้องอยู่ถ้าอยู่แบบนี้เขาไม่ให้ออกมานะให้เก็บตัวเลยนะไม่ต้องมาเจอแอนไม่ต้องลงเช้าไม่ต้องไปลองไหว้พระสวยมไม่ต้องไปศาลาอาหารก็ซื้ออาหารสําเร็จเข้าไปแช่แล้วก็มีเตาไมโครเวฟอุ่นได้กินได้ค่ะเดี๋ยวซื้ออาหารเอาไว้สําหรับเจ็ดวันเพราะว่าไม่ดีเหมือ น, นกันอะไรก็ <c oughs> จะไม่ต้องมีก็ได้ไม่มีน้อยมีไว้สําสหรับเผื่อ บ, บางวันอะไร อ๋อถ้าเราเริ่มใหม่ๆเราอดแล้วเว้นได้ไหมคะได้เราทำวันแล้วกลับมากินวันสองวันแล้วกลับไปอดใหม่อะไรนี้ก็ได้จะได้เตรียมไปแล้ลองดูะค่ะเขาว่าคุณจะค่าพระอาจารย์มันต้องมีอะไรท้าทายหน่อยมันถึงจะนด้ทำ่ายๆแลองดูเหรอเ็นมันไม่มีพลัง ถ้มันต้องทําะไรยากๆมันทำไม่มีพลังขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่หนูยังไม่ได้ซื้อของนะคะไม่อยากซื้อด้วยเพราะว่าไม่ไม่ไม่เข้าไปดูด้วยค่ะเขาส่งโปรโมชั่นมาก็ไม่ดูแล้วเขาไปดูวันนั้นก็คิดว่าไม่ซื้อแล้วจะตายไหมก็เลยก็เลยกังวลเลยก็ไม่ได้ดูค่ะไม่อย่าไปซื้อของไม่จําเป็นค่ะเก็บเงินไว้มาปฏิบัติธรรมดีกว่าเจ้าค่ะแล้วเอาไปทําบุญดีกว่านะเจ้าค่ะพระอาจารย์ โอเคเอาให้นิทานะค่ะนะคุณเจสันเลนจากนอร์ทแคโรไลนากับแ อ, องเจลเขาคัททูนักแสดงคาจารย์เมื่อกี้ฟัง<ม>ฟังจากโยมเนาะเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าโยมเคยเคยรักษาศีลอย่างนั้นมาก่อนช่วงที่กลับเมืองไทยปีสองพันสิบแปดที่โยมเดินทางไปต่างจังหวัดนะเจ้าค่ะไปตามวัดต่างจังหวัด ไปกับพี่สาวแล้วก็โยมก็บอกพี่สาวว่าโยมจะไม่กินอาหารสามวันอืแต่โยมก็ทําได้นะเจ้าคะก็คือไปไปกับพี่สาวแล้วก็เพื่อนพี่สาวแล้วก็เขาก็กินต่อหน้าโยมแต่โยมก็ไม่ไม่รู้สึกหิว<น>หรือว่าเป็นเป็นที่ว่าความตั้งใจมั่นของเราหรืปล่าเจ้าคะ่ะใช่อยู่ที่ความตั้งใจใชพอใจตั้งใจแล้วมันก็สู้ได้ถ้าเราไม่ตั้งใจเนี้ยมันก็ล้มเหลวเนี้ยมันจะยอมแพ้ ยิ่งทำอะไรต้องมีตั้งใจที่แน่วแน่เหมือนพระพุทธเจ้าเวลานะั่งก่อนตัดสู่ก็ตั้งใจนั่งดีวกว่าจะตัดสู่น่นถ้ายังไม่ตัดสรุปก็จะไม่หยาบไม่รู้จ<ช>ักที่ไปเขาก็ยังสงสัยว่ามันเป็นอาหารที่โยมเคยชอบกินแต่ว่าทําไมถึงไม่คิดอยากโยมบอกว่าถ้าโยมตั้งใจแล้วโยมก็ไม่กินมันมันไม่นึกนอยากเองเจ้าคะ่ะ การอดอาหารนี่มันต้องอดเพื่อปฏิบัติธรรมในบาทนะถ้าอดเฉยๆก็ไม่ได้ประโยชน์มากเท่าไหร่เจ้าค่ะย وم, ย وم, ย وم, ย وم โยมโยมโยมอดก็คือว่าโยมปฏิบัติธรรมอดในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าโยมเดินทางไปปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะก็เลยโยมก็เลยเอาวิธีอย่างนี้เจ้าค่ะการอดอาหารมันจะช่วยกําจัดเรื่องความที่เกลียดความง่วงนอนได้เจ้าค่ะช่วงนี้โยมก็ รักษาสิ่นแต่ก็คือว่าไม่กินอาหารหลังเที่ยงแต่ก็ช่วงวันสองวันมันก็จะมีปัญหานิดนึงแต่ว่าพอหลังจากนั้นมันก็ไม่เกิดอาการที่ว่าเราอยากกินมันจะเป็นปกติคือเหมือนร่างกายเราปรับสภาพไปในตัวทัทง้ทงๆที่เมื่อวานโยงก็เก็บไปไม้ทั้งวันแต่ก็ไม่รู้สึกหิวไม่เไม่ไม่รู้สึกที่ว่าว่าหิวจะต้องกลับไปกินข้าวไปหาข้าวกินไม่เจ้าคะ่ะก<อ>็ดีอยาก เจ้าค่ะอ่อนแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยนะอย่าอที่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะโยมเวลาโยมเก็บใบไม้โยมก็ภาวนาไปในในการเก็บใบไม้เจ้าค่ะใบไม้หล่นเต็มบ้านเลยคนเดียวก็ไม่เหงาไหถ้าปฏิบัติธรรมได้อยู่คนเดียวก็ไม่เหงาเจ้าค่ะแต่มีปัญหาบางทีว่ามันปฏิบัติยากตอนที่ว่าบางทีเรามีลูกอยู่บ้านด้วยน่ะเจ้าค่ะมันก็เลยมันอ้า ว h y อยู่บ y me? มีเจ้าค่ะก็คือว่าตอนนี้ลูกสาวอยู่บ้านด้วยคนหนึ่งก็แต่ก็ไม่ไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าโยมตั้งใจว่าโยมจะรักษาสินแปดโยมก็รักษาสินแปดโยมก็จะบอกสั่งลูกเลยว่าหลังจากเที่ยงไปแล้วอย่าชวนแม่กินอะไรทั้งนั้นเพราะแม่แม่แม่ไม่กินไม่รักษาสิน ก็จะ ส, สั่งสั่งสั่งกับลูกไว้เจ้าค่ะคือสั่งเขาไว้เขาจะได้รู้เขาจะได้บางทีเ้าลืมนะบางทีเ้าลืมแม่กินกินข้าวไหมโยมก็หันเลยบอกลูกป่ากี่โมงแล้วค่ะลูกแต่ก็โยมก็ไม่พูดอะไรก็คือให้เขาดูในใจว่ากี่โมงแล้วคะให้เขารู้เป็นทางในๆเจ้าค่ะ บอกตรงๆก็ได้บอกว่าแม่วันนี้ถิ้งสีนแปนไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันนะแต่ว่ากินมื้อเดียวไม่มีเจ้าค่ะโยงมาฟังทมเจ้าค่ะอร่วงสามท่านเจ้าค่ะคุณแก้วตาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมองไม่เห็นหน้าเลยกราบธรรมสการเจ้าค่ะ อ่ายังไงมีอะไรจถา ม, มไหมคะค่ะคุณแม่ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าคือคุณแม่แกอยากเอ่อทำบุญถวายข้าวหอมต้นหรือดูอเจ้าค่ะทีนี้แกก็บอกแกก็เลยขอเรียนกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราส่งเงินไปที่วัดแล้วบอกที่วัดว่าช่วยซื้อข้าวหอมต้นหรือดูถวายพระด้วยแล้วเกิด เขาไม่ได้ทำตามอย่างที่เราพูดนะเจ้าค่ะแบบเขาไปซื้อข้าวอะไรก็ได้อย่างเงี้ยจะถือว่าเราได้ถวายข้าวหอมต้นหรือดูอย่างที่เราตั้งใจไหมเจ้าคะไม่หรอกถ้าทาเขาไปซื้ออย่างอื่นมันก็เป็นถวายอย่างอื่นไปแนละ้วอ๋อถ้าเราอยากจะถวายของชนิดใดเรา ก, ก็ต้องซื้อเองหรือว่าให้คนที่เราบอกให้เขาซื้อให้เขาซื้อให้ เ, าหเราได้ แต่ความจริงไม่สำคัญหรอกว่าของอะไรนะสำคัญที่บุญเกิดจากการเสียสละแบ่งปันของเราเสียสละเงินทองของเราไปไปซื้ออะไรก็ได้ซื้อข้าวซื้อเสื้อพระซื้อจีวอนซื้ออะไรก็ได้นะบุญมันก่อยขึ้นเหมือนกันไม่จาเป็นว่าจะต้องจอดจองว่าต้องเปอาหารอย่างนั้นอาหารอย่างนี้ก่อเจ้ดค่ะแต่ถ้าทำได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปจอดจองมัน เจ้าค่ะแกไปแกไปฟังมาจากที่ไหนไม่ทราบประมาณว่าถ้าอยากหมดกรรมเร็วๆต้องถวายต้นฤดูไม่หรอกอยากจะหมดกรรมก็อย่าทํากรรมสิอย่าทํากรรมกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะถ้าทํากรรมมันก็ไม่มีวันหมดเจ้าค่ะเราภาวนานั่งสมาธิแล้วจะไม่ได้ทํากรรมเจ้าค่ะ ข่ากับนวมัสการเจ้าค่ะมีทั้ง น, นี้เหลยค่ะไม่ไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะโอเคข่ากับนวมัสการเจ้าค่ะท่านสาวไคุณซารนาคงยังไม่อยากจะพูดใช่ไหม <Okay. S 1> พูดเลนะ่ะไม่นะเอามาฟังนะโ okay. อเคคุณชลินทร์จากแม้วิแลนด์เมื่อคืนนี้ก็เข้ามาใช่ไหมอา้าวสองวันก่อนก็เข้ามาเป็นภาษาอังกฤษใช่เมื mm ่อ hmm. ใช่ค่ะพระอาจารย์ในมัสการพอาจารย์เจ้าค่ะวันนั้นโยมพอดีตั้งเซ็ตอัพในโนทิฟิเคชัน a c e b o o k ไว้เลยค่ะแล้วก็พอเห็นพระอาจารย์ขึ้นมาโยมก็เลยขึ้นมาฟังพระอาจารย์ค่ะโยมตอนนั้นในดีไม่เจอโซมานั้นค่ะอาจารย์โยมก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเจอพระอาจารย์รอบหนึ่งโอ้ยโยมมีอะไรไหม อ, อ้าวันนี้โยมไม่ได้มีอะไรอ่ะคะ่ะก็เข้ามาฟังทำเฉยๆแล้วก็โยมก็แค่รู้สึกว่าเราปฏิบัติทำที่บ้านนี่มันคือสะดวกในการที่ปฏิบัติมันทําได้ง่ายกว่าแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะทําให้เราสบายเกินไปเพราะเราอยู่ที่บ้านนะคะโยมก็เลยไม่สมันทำเพื่ความสุขมากมากมากเกินไป เราต้องบังคับตัวเองเ<ไ>ช่นอย่าไปนอนกับบนเตียงถ้าเราอย่าปฏิบัติเราบังคับนอนขึ้นยลางคนังง<ม>ยมรู้สึกว่าโยมมีความตั้งใจจะปฏิบัติแต่มันยังมไม่ได้ดีอะค่ะอาจารย์เพราะว่าที่บ้านมัน ม, มีเพื่อเรานดยความสะดวกทางตาอุจจาระกายเข้าไ<ม>ปหมดแต่โยมก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ต้องการอยากซื้ออะไรทานอาหารก็น้อยลงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าถือสิ่งแปดไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ความต้องการ น้อ ง, งอตื้อสินสารดูเสร็จจะได้ไม่จะได้ไม่ไไมีข้ออ้างว่าจะดูข่าวดูทีวีดูอะไรจะได้แต่โยม <ง S 1> อาจารย์ได้ใช่ไหมคะยังตามในคิอนเองตามดูธรรมะพระอาจารย์ได้ใช่ไหมคะธรรมะได้อยู่แต่ข่าวสารเรื่อบันเทานี่ไม่ได้ไม่ควรไปสนใจค่ะเดี๋ยวยมจะลองดูค่ะเพราะโยมรู้สึกว่าโยมปฏิบัติที่บ้านมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีความตั้งใจทําทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็น แต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็ฟุ้งซ่านเสร็จแล้วยมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราทําไปอย่างนี้โดยที่แล้วเราจะไปถึงไหนไหมเราจะอยู่แค่ตรงนี้หรือเปล่าเนี้ยค่ะเพราะเราเราเพิ่มวิธีปฏิบัติให้มันยากขึ้นให้มันที่อดอาหารดูสักวันหนึ่งค่ะไม่นอนสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะได้ก็จเดี๋จะลองดูค่เพราะเห็น ตะลายานน้มิตท่านอื่นๆทำแล้วยองตื่นเต้นแทนค่ะ <l ux> รู้สึกเขาทำ <l ux> ได้ดีมีอะไรท้าทายเราหน่อยพราถ้าเราปฏ<น>ิเท่าเดินมันก็จะมันก็จะอยู่ที่เดินต้องเพิ่ม <l ux> มันงั้นก็นั่งนั่งให้มันนานๆสองชั่วโมงสมชั่วโมงเดินก็ให้มันเดินนานๆอะไรการป <l ux> ฏิบัติมันถึงจะมีการเข้าก้าวหน้า อาจารย์เคยนั่งเท่าเดิมนั่งกี่ครั้งก็เท่าเดิมก็ไปได้เท่านะั้นใช่ค่ะเพราะอาจารย์โยมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละโยมต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไม่งั้นทุกอย่างก็จะเหมือนเดิ ม, เ พ, มเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นนั่งให้นานขึ้นแล้วเดินให้นานขึ้นกินอาหารให้น้อยลงอะไรทำรงนอนให้น้อยลงอะไรเป็นวิธีสู้บีบกิเลสไล่กิเลส พระอาจารย์กลับขอบ พ, พระคุณค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวโยมจนนาไปปฏิบัติค่ะพระอาจารย์เนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรถามนะวันนี้โยมไม่มีอะไรค่ะพระอาจาร okay. ย์โอเคเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวไปถามทีหลังก็ได้นะค่ะพระอาจ า, า ร, าา ย, าราย์ออรวัสการค่ะขอบคุณเองอากเชียงรายฝันดีกลับนวสการพระอาจารย์ครับผมเป็นยังไงสบายดีนะครับผมสบายดีครับแล้วพระอาจารย์สบายดีไหมครับสบายดีครับผม สัปดาห์ที่ผ่านมาก็วันนี้ก็มารายงานที่พระอาจารย์ได้รับทราบครับก็เส้นทางในการปฏิบัติก็ยังเหมือนเดิมนะครับช่วงช่วงเย็นก็เดินจงกรมเริ่มที่หกโมงครึ่งจนถึงประมาณเกือบสามทุ่มครับพระาอาจารย์แล้วก็บางวันก็เดินหนึ่งชั่วโมงก็นั่งสมาธิประมาณสิบห้านาทีหลังจากนั้นก็เดินต่อจนถึงแบบครบเวลาประมาณ สักสามทุ่มะครับพระอาจารย์ดีครับแล้วก็อตอนอตอนที่พระอาจารย์เทศหรือว่าไปฟังพระเทศที่วัดก็รู้สึกว่าเอะจะมีสมาธิมากครับพระอาจารย์เพราะว่า ม, มันมันจะมีความรู้สึกแบบว่าตอนที่เรานั่งสมาธิมันจะมันจะรู้สึกมันจะแน่นกว่าที่เราไม่ได้เดินจงกลมอะครับพระอาจารย์ได้เพราะมีสติมากขึ้นไง เวลาเราเดินนี้เราเราเราทราบสติขึ้นมาโอ้ครับผมได้แน่นได้สงมได้มากขึ้นครับครับผมก็ผมก็เอ่อจะพยายามเดินให้มากเพิ่มขึ้นไปครับอาจารย์ใช่ครับผมเดก็ต้องเดินแบบไม่สตินะไม่ได้เดินแบบใจลอยนะครับผมใช่ครับใช่ครับก็ก็อยู่ที่เอ่ออยู่ที่พู้โทรผู้โทรครับผูโทรไปจะปล่อใจคิดเรื่อยๆครับผม เพราะว่าเวลาเดินเดินนานๆนี่มันก็จะปวดปวดขาปวดอะไรก็ใจมันก็ไม่ไม่ไปปวดด้วยครับอาจารย์เว่นานก็ไปมัปวดเนี่ยครับมันมันปวดเป็นร่าตาก็ไม่เป็นเวทนาเวทนาเป็นเป็นของร่างกายร่างกายไม่ใช่เราเป็นอะไรไม่ใช่เราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดให้รู้เฉยๆไป ค่าผม่าป่วยให้มันอย่าพยอยากให้มันหายปวดค่าผมมันมันก็จะเห็นจะเห็นความปวดครับพอาจารย์ออก็แต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ปวดนะครับก็มันปวดก็ให้มันปวดไปอย่างเงี้ยครับแยกจากตัวเราแยกออกจากมันะมันกับเราไม่ใช่คนเดียวกันค่าผมค่าผมคยังไปเรื่อยๆนะค่าผม ผมก็พยายามทำเพิ่มเข้าไปอีกก็อาจจะเพิ่มเป็นสามชั่วโมงก็สตาร์ทประมาณหกมงครึ่งก็อาจจะจนถึงสามทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับพระ อ, อาจารย์ถ้าอยากจะให้มันก้าวหน้ากวันนี้ก็ลองใช้มาตรการอดอาหารดูบ้างก็ได้หรือผ่อนอาหารก็ได้กินให้มันน้อยลงค<ม>รับผมเพราะว่า<ม>ได้กิเลสโอ้ครับแต่แต่หยุดนี่ยังยังไม่เคยลองแต่ว่าปกติเออ ข้าวเย็นผมผมไม่ทานมานานอยู่แล้วครับตั้งแต่ปฏิบัติมาตั้งแต่ฟังเทศอาจารมาช่วงเย็นนี้ผมเอแทบจะไม่แต่ต้องอาหารเย็นเลยไม่ทานข้าวเลยครับช่วงเย็นครับก็แต่ยอดข้าวยอดข้าวโอ้ไม่หรอกครับเพราะว่าในเรื่องสุราเรื่องอะไรยอดพวกนี้เอไม่ไม่ดื่มมานานแล้วตั้งแต่หลายปีแล้วครับอาจารย์เราไม่กินข้าวเย็นเลยกินยอดข้าวแต่ถ้าเป็นเมื่อ ห้าหกปีก่อนไม่แน่แต่ตอนนี้ไม่ไม่แล้วครับเพราะว่าพราะต้องสร้างสติครับคือคือไม่ไม่ยุ่งกับพวกนั้นกลัวศีลมันจะไม่ครบอ่ะครับพระอาจารย์ตอนนึ้ทีนี้มันก็ามารักษาศีนไม่ได้ครับผมเพราะกลัวกลัวศีนมันไม่ครบพราะถือศีนห้าแต่ว่าแต่ว่าปกติคือผมผมไม่ดูทีวีไม่ไม่ฟังเพลงอะไรมามันนานแล้วสองสามปีแล้วพระอาจารย์ไม่ไม่แตะต้องนะครับคือก็คือมันแค่ผ่านผ่านคือไม่ไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะฮะ ใช่ <Right. S 2> ใครจะอะไรยังไงก็ไม่ค่อยสนใจครับมัน <laughs> มันคือมันมันทาให้ใจเรามันมนิ่งครับอาจารย์ <Right. S 2> มันจะเสีสายครับม <Right. S 2> ไม่ดูนานแล้วครับสองสามปีแล้วครับดูทีวีดูละครอะไรพวกนี้ไม่ไม่ดูหรอครับ <Right. S 2> เองก็คือไม่อยากฟังอะครับใช่ <Right. S 2> ครับผม <Right. S 2> บางวันก็มีแบบบางวันคือไม่อยากเจ็บ เปิดไลน์ไม่อยากจะเปิด a ฟ e b o ๊ k อะไรรือบางวันแบบมันไม่มีอะไรน่าสนใจองเงี้ยครับพอาจารย์อ่าสาระครับผมใบนหัวใจบนจิตเราเปล่าครั้คงทำสงบดีปะครับบางทีเ็าเออถ้ามีเวลาก็เอะเก็บเล็กเก็บน้อยก็หลับตาพูดโทพูดโทไปเออมันมันมันเบาสบายใจดีครับพอาจารย์วิธีที่ดีที่สุดโอ้ครับผมโอเคนะ ครับครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกครับก็เนี่ยทำให้มากขึ้นเดินให้มากขึ้นนั่งให้มากขึ้นอะไรครับผมครับผมครับผมครับผมครับน้อมปฏิบัติตามครับกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ได้สั่งสอนมากเลยครับพระอาจารย์มันชาทุกครับคุณโยมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอก่อนนะเดี๋ยวรอให้ท่านที่ยังไม่ได้ถามถามก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกลับไปหาคุณอทีให้มันครบรอกก่อน คุณอัธยาท่านต่อไปคุณอัธยาอยู <m uch ando> <m uch ando> ่ที่ไหนกดกดปุ่มเลยครับกดปุ่มอันนี้ปุ่มอยู่ตรงกลางหน้าจอฮะกดได้เลยฮะมาบอกให้อันมิลปุ่มอันมิลโอเคนมันการเจ้าค่ะพรอาจารย์อยู่ที่ไหนจ้า อยู่ที่อำเภอเขาโยนจังหวัดเพชรบุรีเจ้าค่ะอ่าเคยเข้ามาปะที่เคยเข้าไปพร้อมเคยเข้าไปกับกล้องลูกชายเจ้าค่ะลูกชายวันนี้ไม่ได้เข้ามาเนี่ไม่อยู่กันแล้วันวันนี้วันนี้พอดีมามาเฝ้าแม่สามีเจ้าค่ะอ่ามีอะไรจะถามไหมพระอาจารย์จะยอมจะถามว่าคนที่เป็นโรคจิตเวชนะภาวนาได้ไหมเจ้าค่ะถ้ามีสติพร้อก็ภาวนาได้ค ก็กลมจิตได้ถ้าก็กลมให้พุโทโธพุโทโธได้ก็ภาวนาได้อ๋อแล้วจะมีผลเสียอะไรไหมเจ้าคะอ๋อไม่มีหล่ะจะช่วยทําให้หายจากโรคจิตตะเวทได้ทั้งไปโรคจิตเวท<อ>กเวทกิดจากไม่มีสติปล่อยให้จิตมันคิดฟุง้งซ่านสเป ส, สปะไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มีทุกข์ไปถ้ามีพุโทโธมีพุโทโธจิตมันก็จะสงบมันก็จะหายจากโรคได้ เจ้าค่ะพ้อาจารย์เจ้าค้าแล้วมีอีกคำถามค่ะถ้าเกิดรักษาศีลห้านี่แลปฏิบัติอยู่ที่บ้านนี่มีมมโอกาสไปนิพพานได้ไหมเจ้าคะ่ะได้ได้มีทั้งนั้นทุกคนแต่จะได้หรือไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่ว่าปฏิบัติถึงถึงถึงพิกถึงเข็งก็อบอ่างอ้ก็คือรักษาสินห้านะคะอยู่จุดได้ได้แค้สุนห้านะคะไปนิพพานได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็ไม่แน่นั่นบางทีต้องเพิ่มเป็นสินแปะก็ต้องนั่งสมาธิจิตให้สงบไม่ได้ก่อนแล้วถึงต้องมีปัญญาเห็นใจรักเห็นอนิจจ์ทุก ข, งขงังวณตาถึงจะสามารถไปนิพพานได้อ๋อต้องต้องเพิเป็นสินแปะใช่ไหมเจ้าคะเออตอนต้องเอาสินห้าก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มไปตอนต้นก็ทำสินห้าไปนั่งสมาธิไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าอยากจะได้สมาธิมากกว่านั้นก็ต้องเพิ่มเป็นสินแปดตอนนี้อยู่ว่ า, ส, า ส, สินแปด น, น, นี้ต้องไปปฏิบัติที่วัดเจ้าค่ะข้าอาจารย์อยู่บ้านนี่ปฏิบัติลําบากเจ้าค่ะได้อยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปอยู่ที่วัดก็ได้สินแปดใช่ไหมคะอยู่ที่ตัวเราแต่ว่าอยู่ที่บ้านมันอาจจะยากคนหนึ่งต้องกินข้าวเย็นเราไม่กินข้าวเย็นเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวเจ้าค่ะ แต่ถ้าเราห้ามใจเราได้คนหนึ่งเขาจะกินก็นเรื่องของเขาเราถือศีลแปลแล้วก็ไม่กินไปคนอื่นาดูหนังแล้วก็ไม่ไปดูอ่ะเขาดูละครแล้วก็ไม่ไปดูเขาแล้วก็ปฏิบัติของเราไปนอนบนที่นอนที่ที่ฟูกนิมน่มๆก็ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะได้แต่ทําไมา่ให้มันหนาให้มันถ้าแบบบางๆพอที่จะทําให้มันการมีความเย็นได้ได้อยู่แต่ถ้าให้มันนุ่มมันหนามันสบายนี่ไม่ได้ ก็ปูเสื่อนอนกับพื้นดูเลยเวลาถ้าถือศีลแปดม่นอนปูเสื่อนอนนอนกับพื้นเลยไม่ต้องไปนอนบนเตียงเจ้าค่ะไม่ต้องการให้สบายเกินไปเพราะมันจะนอนมากเกินไปมันจะเดี๋ยวมันไม่มีเวลาจะมานั่งสมาธิกันเจ้วค่ะท่านอาจารย์อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรตอนนี้อ้าวเพชรบุรีอ่าแล้าค่ ะ, ะบ้านก็อยู่ที่เพชรบุรี่มั้ย เชคออยู่จ<ช>ังหวัดเพชรบุรีเจา้าค่ะมีพ่อแม่เราหรือพ่ อ, แ ม, ม อ, อแม่สามีอ๋อแม่สามีเจ้าค่ะแม่สามีนะเจา้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวถ้ามีโอกาสโยมจะไปปฏิบัติที่วัดนะเจา้าค่ะได้ต้องจองที่พักก่อนนะต้องไปติดต่อที่วัดขอจองที่พักก็ถ้าไปแบบไม่จองเดี่ยวมันไม่มีที่อยู่นะเจา้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากเจาก้าค่ะพระอาจารย์ โอเคสาธุ okay, เดี๋ยวไปที่ท่านหนึ่งต่อคุณร่วมพรใหแผลเชิญรอมานานนะร <c oughs> อแักเดียวค่ะคือ <c oughs> ปกติดิเฉันก็ปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรจะเหมือนกับมาขัดขวางคราวนี้ที่เรียนถามท่านอะนะคะ <c oughs> มันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยปฏิบัติแบบไม่ต้อง กังวลกับเรื่องอื่นโดยใช่เหตุอย่างเช่นเคยฟังพระอาจารย์ท่านนูน้นท่านนี้ท่านก็บางท่านท่านก็พูดเหมือนกับว่าอะรู้ว่าเมื่อไหรท่านจะมรณภาพด้วยเหตุอะไรอันนี้จะ ก, การสังเกตดูนะะซึ่งฉันคิดว่าถ้าอันนี้เป็นความจริงอ่ะนะมันจะช่วยผ่อนคลายความคิดของตัวดิฉันเนี่ยเพราะบางทีเนี่ย ข่าวสารบ้านเมืองข่าวของโลกเนี่ยมันทําให้กังวล น, นิดหน่อยซึ่งมันเป็นอุปสรรคนะคะก็เห็นถ้าหนึ่งหนึ่งที่ได้ฟังมานะก็พูดเรื่องอาหารมัางเรื่องอะไรม้างเพื่อช่วยให้ปฏิบัติดีขึ้นแต่ที่ฉันก็ถามแนวนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันก็จะเป็นตัวกลางกันเหมือนกันเน้นที่ที่ถามจริงๆเลยเพราะว่าเคยเคยนึกเองนะว่าเออถ้าคนเราเนี่ยมันจะแบบ จะต้องตายเมื่อไร่หรือตายด้วยเหตุใดเนี่ยมันก็จะตัดปัญหานี้ออกไปนะฮะจากเหตุการณ์บ้านเมืองหรือว่าเหตุการณ์ต่างประเทศเพราะว่าการจะปฏิบัติได้ดีก็ เ, เหมือนกับที่พระพุทธเจ้านะฮะท่านท่านก็เคยพูดว่าอ้าวอย่าไปดูอยู่ตามชายเขตแดนเพราะมันก็อาจจะเกิดความไม่สงบอันนี้ก็เลยกราบเรียนถามท่านมะฮะว่าคนเราเนี่ย มันจะคล้ายๆถูกกาหนดมาใช่ไหมคะว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ในเหตุใดเพราะฉะนั้นแต่ว่าถูกกาหนดเลยทีเดียวก็ไม่ใช่แต่มันก็มีส่วนกรรมของแต่ละคนทํามาเนี่ยมันก็จะทําให้แต่ละคนอายุสั้นยาวไม่เท่ากันค่ะแต่ไม่มีใครรู้เท่านั้นเองนอกจาก ค, ค, คนที่มียานจริงๆอย่างพระพุทธเจ้านีนท่านรู้ว่าอีกสามเดือนท่านจะตายนะท่ทานบอกว่คอืม แต่ที่ดิฉันกลาบเรียนถามท่านก็ตัวเองไม่ได้อยากจะรู้นะคะเมื่อไหร่ <S <S แต่หมายความว่าอยากจะรู้ว่าอ่ามันก็ถูกก <c oughs> ําหนดมาละโทษค่ะเพราะฉะนั้นเราให้คิดว่ามันไม่มีอาจจะวันนี้ก็ได้ จ, จะพรุ่งนี้ก็ได้ทิ้งแบบนี้มันจะได้ไม่จะได้ปองปองใช่เลยปองตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะไหนๆกูอาจจะตายวันนี้แล้วอาจจะตายพรุ่งนี้แล้วก็ปองมันตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย เราปลงได้ที่มันสบายแล้วแ่ะมันจะมาวันไหนก็ไม่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นปัญหา อ, แอาหีแล้วขอให้เราปลงให้ได้ท่นานนะครับคือไม่ได้อยู่ที่ว่ารู้หรือไม่ดู้รู้แล้วปลงไม่ได้ก็ไม่ไม่ไม่มีประโยชน์อเลยค่ะเท่าที่ต้องการทราบก็คือว่าอ่ะมันถูกกําหนดมานะว่าเมื่ อ, อไรหรือด้วยเหตุดใดอะที่กําหนดมันคือวิตาความตายเนี่ยมันถูกกาหนดกันมาด้วยการเกิดใครเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันทุกคน แย่งอยาจะตายช้าตายเร็วมันก็อยู่ที่กรรมของแต่ละคนมันทํามาไม่เท่ากันน ะ, ะแต่เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องกรรมกังวลเรื่องเกิดดีป่ะมันเกิดมาแล้วเดี๋ยมันต้องตายแนะ่ๆรีบปลงซะก่อนอบอกบอกมันเดี๋ยวก็ต้องตายกันแล้วทุกคนปลงได้แล้วก็จะสบายไม่กังวลไม่เดือดร้อนกับอะไรต่อไปถ้าสมมุติเป็นเป็นว่าอะทํากรรมมามันต้องตายอย่างนี้อย่างนี้ ก็ไม่เป็นไรตายแบบนั้นมันก็เหมือนกันะมันก็ตายเหมือนกันมันก็ไม่หายใจเหมือนกันตายแบบจมน้ำก็ไม่หายใจตายแบบไฟไหม้ก็ไม่หายใจตายแบบตกตึกมันก็ไม่หายใจเหมือนกันเนี่ยมันก็ตายแบบเหมือนกันไม่ต้องเป็นกังวลหรอกพระพุทธเจ้าบอกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกก็ไม่หายใจเข้าก็ตายคือคืกาบเรียนถามท่านนี่ไม่ใช่แปลว่ากลัวตายนะคะ แต่จะได้ตัดจงหวนในแงท่ที่ข่าวสารมันเยอะแยะไปหมดอย่างนู้นอย่างนี้ที่มันเกี่ยวกับความเข่าวข่าวสารก็เรื่องของมันมันอย่างมากมันก็ทําให้เราตายแค่นี้มันไม่ทํามันให้เรามากไปกว่า น, นั้นหรอกแล้วก็ยอมตายแล้วถ้าเรายอมตายแล้วข่าวสารยังไงเราก็ไม่หวั่นไหว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่งั้วโยมตายใช่พยายามปองอยู่ด้วย ยอมตายยอมตา ย, ยา ห, หใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกก็ไม่หายใจเข้าก็ตายคิดแค่นี้คือกาบเรียนว่ามันทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัตินิดหน่อยไม่ได้เยอะนะฮะแต่ยคิดว่าวถ้าเราปรงได้เนี่ยมันก็สบายไปเลยไม่มีอุปสรรคถ้าไม่ยากปองอย่างนี้แหละขอบขอบพวกคุณค่ะ อันนี้มีเท่านี้เลยนะวันนี้มีเท่านี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปที่ท่านหนึ่งตอนนะขอบพระคุณนู้สึกสคนวิทูลสรสกนะครับคนวิธูลอานารยกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับจากเชียงใหม่แยกวิทูลครับผมพระอาจารย์ครับสิทธิ์เก่าวันหย่านะผมวันวันยานะ ครับผมน้อมนมัสการพระอาจารย์จริงๆครับวันนี้เข้ามารายงานตัวกับพระอาจารย์แล้วก็ได้ฟังที่พระอาจารย์ต่อบคำฐามอย่างโยมก็มีสติปัญญาขึ้นวันนี้เจอโลกธรรมหนักๆเยอะครับโลกธรรมไม่เที่ยงนะมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดามีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ไม่ได้มีเสีย มีขึ้นมีลงครับวันนี้มีเสียครับ ว, วันนี้เดี๋ยวเราเสียกันหมดอ่ะมีมากไม่น้อยเดี๋ยวตายนี้เสียหมดเลยยสาธุไม่มีใครเอาไปได้หรอกครับงั้นอย่าไปมีมากมีมากไปมันเสียเสียมากมีน้อก็เสียน้อยสาธุอาจารย์ครับมันมีพออยู่ได้ก็พอพออยู่พอกินได้ไม่เดือนร้อยครับ น้อมสาธุพระอาจารย์แล้วก็ให้สติปัญญาขึ้นมาลยไรก็มีพออยู่พอกินอยู่แล้วครับพอแล้วถ้ามีพออยู่พอกินก็อย่าไปกังวลไม่รวยก็ไม่เป็นไรครับน้อมรับทุกคำทุกคำของกิเลสกิเลสมันหลอกเรา พอเราเผอเรื่ความตายมันก็หลอกให้เราหัวยคะแนนก็ดีแ่นี่ก็ดีจริงจริครับพระอาจย์เขาเขาดึงไปทางลาบให้เรายศให้เราสรรเสริญให้เราแล้วก็ความสุขให้เรามาตลอดพอเขาดึงกลับมานี่ปุ๊บนี่เออเซเลยครับผมเจเลยนะครับวันนั้นก็เลยหัวใจแทบจะสลายเลยนะครับ ก็ได้เวลามาเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเวลาไปไม่มีอะไรติดตัวไปครับอาจารย์ครับลืมลืมกันอลืมลืมต้องบอกว่าถูกหลอกครับไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยลืมทำนี้เนี้ยจำไหมถัดท่าไวมไม่มีอะไรเป็นของเราครับไม่มีอะไรเป็นของเราจริงจระครับน้เป็นมาตัวเปล่าเล่าเดี๋ยวก็ไปตัวเปล่าเปล่า สามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สมบัติอะไรทั้งหลายเอาไปไม่ได้หมดสาธุพระอาจารย์สาธุสาธุโอเคนะครับอตอมในท่านต่อไปนะถ้าไม่มีอะไรครั บ, รบรกับขอพระคุณพระอาจารย์ผมขออนุญาตถามคำถามอีกตื้งนะครับระอาจารย์ผมจะใช้อาพุทธรู หรือไม่ก็พระสงฆ์ที่ผมนับถือนะะเช่นพระอาจารย์เช่นพระพุทธรูปพระแก้วมรกตเป็นต้นนะครับไว้ในโทรศัพท์แล้วก็เตือนสติพระมิยาดโยมหลายคนเข้ามาเขาเขานับถือเหมือนเราเขาก็จะให้การสนิทสนมแล้วก็คุยกันเรื่องธรรมะนะฮะก็ให้สติปัญญาแต่ละแรกปีของแต่ละคนก็ดึงแบม่ hmm. ในทางของ อันนี้จะตามแนวทางของพระอาจารย์นะฮะแล้วต่อมาก็คือหลังๆมานี่ผมใช้ภาพถ่ายพระบรมสารีริกธาตุนะเช่นพระบรมสารีริกธาตุของวัดญานเป็นต้นนะครับมาเป็นเขาเรียกว่าวอลเปเปอร์นะฮะอาจารย์อาจารย์ขอคำแ น, น, นะนาอาจารย์ว่าอันไหนเหมาะสมฮะหรืออย่างไรครับผม อ๋อก็อันไหนก็ได้ไม่เป็นไร อ, อันไนที่เราประทับใจทำไม่เรามีสติก็ใช้อันนั้นทำให้สติเราให้ได้นะเรียกิวมานทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราคำว่านิจังทุกข์หน้าตาไม่ดี罢ะอันนี้จังทุกข์หน้าตาอสังขารทุกข์ไจังเดี๋ยวผมจะกว่าจะบอก เ, เตือนสติตัวเองด้วยครับ ไหวนนี่จังทุกข <hi> ังน่าตาไม่ได้ตรงได้วางนะสาธุอาจารย์ครับกลับของพวกคุณอาจารย์บอกแนวทางที่ต้องบอกว่าหลุดเลยครับไม่ต้องมีสมมุติเลอาจารย์บางคนบอกใช้คำว่าสติเป็นมอลเปเปอร์กันสติองสติครับอันนี้จังทุกขังอน่าตาสติ ดีที่สุดอ น, นิจจังทุกขังนี่คือสุดยอดของธรรมคืออ น, นิจจังทุกขังนะครัสาธุพระอาจารย์ผู้รุ่งต้องผ่านอนิจจต้องรู้จักอนิจจังทุกขังนะครับสาธุท่ า, า, านต่อไปนะครับน้อมนมัสการพระอาจารย์ครับคุณสุพัฒนาเชี่อยู่ที่ไหนนะจาไม่ได้เจ้าระมส ก, การพระอาจารย์นะคะ ตอนนี้ออกมาอยู่ข้างนอกเจ้าขาพระอาจารย์ธรรมดาอยู่บอวินนะใช่ค่ะปกติอยู่บอวินวันนี้มาส่งของแล้วงานมารับของไปส่งลูกค้างานยังไม่เสร็จก็เลยมานั่งในรถรอซื้อน้ําแข็งค่ะพอาจารย์รก็เลยยังมาอยู่ข้างนอกค่ ะ, ะวันนี้นวันนี้เอ่อยังไม่มีเจ้า่ะม า, ะมากราบธรรมสการพระอาจารย์แล้วก็มาขอฟังธรรมจ้คะคะโอเคสาธุฟังธรรไปนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะาคุณพานมณีนะคุณคุณประวิตยคุณคุณประวิตยครับกาบบรรณการพระอาจารย์ท่ามคิวไปหลายคนนะเออไม่ไม่ครับคุณคุณประวิทยต่อจากคุณสุพัฒนาครับคุณประวิทย์ต้อนเชิญนะครับกาบบรรณการพระอาจารย์จากเดลัสใช่ไหม ครับผมแต่เมื่อเช้านี้ได้คุยกับพระท่านได้คุยกับพระอะไรนะที่เป็นเพื่อนท่านอ่ะเพื่อนคุณพระพระพระาชันครับผมร า, าชันแล้วบอกจําได้ว่าสี่ปีก่อนท่านบอกมาเยี่ยมท่านเลยมามาเยี่ยมท่านสองปีที่แล้วครับสองปีที่แล้วครับผมเป็นครั้งแรกที่ไปที่วัดท่านครับผม แล้วก็นี่เป็นครั้งที่สองที่ได้คุยกับท่านในอาทิตย์ที่สองครับผมอาทิตย์แรกก็โดนทําไม่ถูกต้องไปครับลังดื่มกาแฟกับโทษอยู่พอดีอโดนท่านตืท่านเตือนไว้ก็เทวดาท่านเลยสอนให้เห็นครับผมก็มไม่มีอะไรเป็นเพียงมารา ย, ยาทนะดนี่คนหนึ่งก็ไม่กินเรากินคนเดียวมันนอเปียกกันนะครับผมเทวดาท่านเลย สอนให้เห็นครับตอนออกไปหลังจากคุยกับท่านครับผมโอเคมีอะไรจะถามไหมวันนี้วันนี้ก็มานั่งฟังถามครับก็อยากฟังข้อต่างๆที่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมถามครับแล้วก็ได้เอามาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นครับก็ได้ฟังจากพวกหลังเขามาพูดกับผมหลายครั้งแล้วก็นึกถึงพระอาจารย์ครับผมว่า การใช้ตาการใช้ร่างกายหรืออะไรอย่างต่างที่ว่าในขณะที่เราไปเล่นกีฬาอะไรเงี้ยเพื่อนร่วมทีมเราทําไม่ดีแล้วเราอหมน่าจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยคือใช้กริยาบ้างใช้สายตาดูอะไรเงี้ยเขาก็มาถามผมพวกหลังเขามาถามผมก็บอกว่าโอ้นี่ไงธรรมะไม่ได้อยู่ที่คําสอนมันมันอยู่ที่คนที่มาสอนเราทําให้เราปฏิบัติ ด, ดีขึ้นนั้นเอง ก็ดีคือธรรมะเอามาให้เรามาใช้กับชีวิตประจำวันของเราเหตุการณ์สอนใจเราให้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องออย่าไปโกรใครอย่าไปเกลียดใจอย่าไปอะไรกับใครใชผมให้รู้เฉยๆเขาเป็นแตให้รูใ้ให้รู้ให้ครับผมเขาเป็นอย่างนั้นเราไปควบคุม บ, บังคับเขาไม่ได้ ไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องทำได้คนแต่ละคนไม่เหมือนกันนานาจิตตังภาษาพระนานาจิตตังจิตใจคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเห็นเห็นทำครับท่านเขามาทั้งทั้ฝรั่งผู้หญิงทั้งฝรั่งผู้ชายมาหาผมแล้วมาถามคํานี้ที่ว่าหลวงพ่อกําลังพูดอยู่นี้ มันเห็นได้ชัดเลยครับว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนมาเนี่ยมันมันมันมันชัดมันมันชัดเจนครับผมอ่มันเป็นความจริงไงความจริงครับผมดีโอเคไม่งั้นไร่มีเัยนะอยวไปท่านต่อไปนะถ้าอยากจะฟังภาษาอังกฤษก็ต้องฟังเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ก็มีเวลานี้ทิโมงครับท่านสองทุ่เหมือนกันต้องเดียวกัน แต่ต้องเข้าไปถ้าไม่มีลิงก์ต้องเข้าไปในช่องภาษาอังกฤษในเฟซบุ๊กภาษาอังกฤษเสิร์ชคำว่าอาจารย์สุชาติแล้วก็ออกเวลาเดียวกันตอนนี้เลยใช่ไหมครับผมใช่แต่ก่อนหนึ่งวันวันอังคาราันอังคารศรีษะจิตวันวันพูดเป็นภาษาไทยฟังภาษาไทยดีครับจะได้ลึกซึ้งมากขึ้นครับ คือถ้าถ้าชอบภาษาอังกฤษก็มีเพื่อนที่เป็นชาวต่างประเทศอยากจะเข้ามาฟังภาษาอังกฤษก็ออเอาเอาเข้าลิงก์นัมเบอร์เดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับเอ<ม>เออร์เดียวกันหมดถ้ามีลิงก์อันนี้ก็ใช้ได้ครับผมขอบคุณครับอะไรนะทางนี ก, นนะการณ์นะตรวนัดการครับผมโอเคคุณพนันพันมีเหรอครับตานี้กดอนมิวได้เลยครับ เป็นยังไงอยู่ที่ไหนอยู่นนทบุรีเจ้าค่ะพระรามห้ากราบน้ำมศการปอาจารย์เจ้าค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกมาหลายครั้งฮะแต่ว่าโยมฟังอย่างเดียวไม่ได้เข้ามาจอยค่ะก็เคยไปพบป้าจันอันนี้เบียจะถามอะไรหรือเปล่ารู้พอเป็นผู้ฟังอย่างเดียวก่อนเจ้าค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวากราบน้ำมกาปอาจารย์เจ้าค่ะคุณจี๊บจากแม่บุญนัน คุณชรินทานเข้ามาก่อนกมวันนี้ใช่ค่ะครับในเัศการค่ะพระอาจารย์ค่ะช่วงนี้เทศกาลไก่งวงเขาเรียกอะไรคะแบงค์สกิฟวิงของอเมริกเทศกาลข้างสารหรืออะไรใช่ค่ะเห็นแบบโอ้โหไก่งวงตัวใหญ่ๆอยู่ในช่องแช่แข็งเต็มไปหมดเลยแบบ ม, มัตายกี่ล้านตัวก็ไป่รู แต่โยมก็ซื้อมาหนึ่งตัวนะจ๊วแต่เนื้อฝรั่งรักมานะแต่ไม่ลักไก่ใช่จ้าค่ะม้มาดูการดูแตงไม่ได้เลยฮะว่าหดร้าวทางใช่ค่ะช่วงนี้คนก็ออกไปล่ากวางเป็นดี่เป็นเทศกาลล่ากวางเพราะว่าเขาบอกว่ากวางมันล้นตลาดเขาเรียกอะไรมันล้นพื้นที่แต่ก่งวงนี้กับไม่ไม่ตามหมือนกันนะจนะ๊วใช่เจ้าค่ะโยมก็แบบเออเขา ก, ก า, าก็รักหมามากรักแมวมาก ตอนแรกก็เลือ ก, กที่รักมากชีช<ห>่ใช่ค่ะสัพเพสัตต า, าพระเจ้าสอนสัพเพสัตตาตทั้งหลายทั้งปวงต้องไม่มีทุกกายทุกใจเธอไม่ใช่ขอให้มาทั้งหลายไม่ทุกกายทุกใจแต่ขอให้ไก่งวงทั้งหลายตายเถอดตายเถอด <laughs> สงสัย <Okay. S 2> ยั ง, ง้น เขาก็ยมก็แบบเออแต่เวลายมก็ให้ลูกท้องแบบโอเคท้องไว้ภาษาไทยนะสิ่งข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สิ่งข้อสองอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็แม่เราทําไมเราจะต้องกินสัตว์ด้วยอ่ะเราไม่ฆ่าก็จริงแต่คนอื่นเขาฆ่าให้เรานะเราไม่บาปหรอเรามากินสัตว์อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยยมก็แบบอเออเนอะเราไม่สั่งไม่บาปเราไม่ไม่เดี๋ยวยังไงสัตว์มันก็ต้องตายอยู่ดีนะกินนนตตอที่มัายย้แบบ อย่าไปท้าให้มันตายว่ากันใช่ค่ะโยมก็บอกรู้ประมาณว่าก็เรากินเพื่ออยู่ก่อนเราจะกินเราก็ขอบคุณเขาว่าเราขอกินชีวิตที่เป็นเป็นแบบสภาพภาวะดินกายยากของเขาแล้วกันไม่หรอกถ้าเขาตายแล้วถ้าเราเขาตายเราจะกินเขาไม่กินเขาก็มันก็ไม่ตัดเนื้อเขาก็ไม่มีค่ะแล้วเราอย่าไปมีส่วนในการฆ่าเขาก็แล้วกันค่ะ แล้วช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบกิเลส ข, ของโยมก็ขึ้นมาเยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลที่ลดราคาของเยอะมากพวกเครื่องใช้ในครัวเรือนทุกๆอย่างอ่ะค่ะโยมก็แบบโอ้โหแบบเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานี่แบบเขาเรียก Black Friday ก็คือแบบนามืนเลย <c oughs> อ น, น, นย<ม>ั่น<ๆ>ก็โยเกิีเกิดดีไอ้นี่เกดิดดีไอ้่องทาอาหารอันนี้เกิดดี แล้วพอโยมมาน้องมองแบบแบัตรเครดิตที่เรายังจ่ายค่าทนายเรื่องอ<ช>ครอบครัวเรื่องยังไม่หมด<ช>เลย<ช>เอ้าวดูเงินว่ามีหรือเปล่าก่อนจะซื้ออะไรเน ย, <c oughs> ยังก็แบบโอเคก็เลยแต่ว่าบางทีนิสัยทาให้โยมมาส่วบางทีมันไม่ดีเลยนะเจา้าค่ะเพราะว่าที่อเมริกาเนี้ยคือถ้าเราไม่พอใจสิ่งของไหนเราแบบเราสามารถคืนได้ก็กลายเป็นว่ายมก็แบบเออมานั่งมองตัวเองเราไม่มีสติเลยเนาะเราซื้อ เสร็จแล้วเราก็ไปคืนพอมีสติมานั่งคิดเอออันนี้ไม่จำเป็นนี่แล้วก็ไปคืนก็แบบเราจะต้องอยู่ชีวิตกับการซื้อซื้อซื้อแล้วก็คืนคืนคืนซื้อซื้อซื้อไปแบบนี้นานเท่าไหร่ก็เลยเอาว่าคนอเว่าคนกันที่ชอบอยู่เกินตัวชอบใช้เกินตัวอาจจะจริงค่ะแต่ของโยมนี่ไม่ได้แบบคือโยม ไอที่มันไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เลี่ยงยังไม่ได้ก็เลยรอแค่มันจะมีคิดว่าปีหน้าคงจะผ่านไปได้อะคะ่ะก็เลยเออไม่เป็นไรรอทุกอย่างจบแล้วเราก็คงจะก็เหมือนพระอาจารย์เคยบอกว่ายอมหยุดอยาก <Yeah. S 1> เออขอเล่นยอมหยุดเ ย, ย็น <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ใช่ค่ะยอมก็พยายามโอเคถ้าพ่อของลูกเขาอยากทําอะไรอะไรที่เรายอมได้เราก็ยอมหยุด เรียมก็หยุดแต่เขาไม่หยุดแต่เราหยุดเออก็โอเคอดีเราเย็นเขาร้อนก็เรื่องของเขาไปก่อนเขาร้อน่ค่ะเขาก็ร้อนก็โดนไปหนึ่งดอกเมื่อวานนี้ปัญญ์ยนไปรับลูกที่บ้านเขาก็โดนไปหนึ่งดอกอย่างเงี้ยแบบเออไม่เป็นไรนั่งมันเถอะับห้ามเขาไม่ได้นะ ค่ะแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นว่าเวลาที่เรามีกิเลสแบบมีความขุ่นข้องหมองใจมีความอยากนู่นอยากนี่มันก็ทำให้เราแบบเห็นข้อธรรมเสร็จแล้วเราก็บางทีมันก็เกิดความรู้สึกแบบเครียดพอเครียดบางทีก็ นอนช้านอนช้าเพราะว่าก็เลยไปนั่งทําความสะอาดบ้านบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้นั่งสมาธิแต่ว่าโยมก็เลยเอาทำความสะาดบ้านแล้วก็เอาจิตไปจดจ่อ ก, กับการทําความสะอาดบ้านอะไรย่างเงี้ยเจ้าค่ะบางทีก็เลยเป็นวิธีปฏิบัติขั้นขั้นขั้นต่ำไปก่อนให้ก็มารามเป็นตัวต ไ, มไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆอ่าเลยรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี่การปฏิบัติมันจะถอยถอยถอยถอยเพราะมันมีเรื่องแบบ เออบางทีก็คุ่นคล้องแต่ก็พยายามอย่างพระอาจารย์พูดเรื่องว่านอนที่นอนฟุกนอนแล้วมันสบายเนี่ยมันจริงนะเจ้านะคะ่ะบางทีตื่นมาอย่างเมื่อเช้ า, าสังเกตตัวเองแบบเออนอนที่นอนนิ่มไปเออจริงเนาะทาให้เราไม่อยากตื่นพอเรานอนดึกเราก็เลยไม่อยากตื่นเช้าก็เลยเดี๋ยวต้องแต่งที่พระอาจารย์บอกท่านอื่นๆนะคะว่าเราต้องนอนให้น้อยลงทานออให้น้อย อ, อ องดูดกิเลสอยให้กิเลสมันบีบเราคตอนนี้นกิเลสมันบีบเราเห็นของลดราคานี่โอ้ใจเต้ น, น, อ, นอันนี้ยมันใจแบบบุบบุ บ, บ, บ, บเองเนอเอุใส่เย็นมาได้ตั้งนานเพราะมาเจอเทศกาลเหมือนที่แบบเมืองไทยก็จะเป็นสิบเอ็ดสิบเอดสบสอิบสองสิบหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ะอยู่มาทั้งปีอยู่ได้เห็นเดือดร้อน เจ้าค้า่พอถึงเดืเอนนี้ข้างรดแรกแจกถังมือม่สันเลยมือสันยจะชอบเลยะียแบบต้องออกจากบ้านแล้วแม่แม่ไปก่อนนะลูกเา่าจากสอนให้เราใช้มักน้อยสันโดษใช่ค่ะแล้วก็แไม่้อยเอาท่าที่ทำเป็นเมื่อกี้พระอาจารย์ก็บอกท่านที่ก่อนหน้านี้แบบเออ อะไรก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็ยยมก็ถาเออเนอื้อสิ่งของที่พวกเราสรรหามาให้ตัวเองมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะก็เข้ามาเล่าประสบการณ์ว่าตอนนี้มันเป็นเทศกาลอะไรแบบนี้คือออยมถามคำถามอีกคาถามหนึ่งค่ะถ้าตอนนี้มันหนาวแล้วถ้าโยมเอาฟูกเป็นผ้าแบบฟูกหนาประมาณเท่านี้วางกับพื้นแล้ว ถ้ายมถือสินแปะแล้วะยมนอนแต่ว่าเปิดเครื่องฮีเตอร์แบบด้ถ้าการความร้อนที่จะมาทําให้น่างกายเราไม่สบายก็ใช้ได้อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นสะดวกใช่ไหมคะเป็นการรักษาร่างกายป้องกันเรื่ความเจ็บไข้ได้ด้วยใช้ได้แล้วถ้าแบบอากาศอนาวแล้วผิวแห้งเราทาครีมนี้มันไม่ได้ไหมไจะเพื่อความสวยงามได้ทาเพื่อรักษา รักษาร่างกายนี้ก็โอเคหรือผิวผิวมันแตกก็เป็นแผลนะใช่เจ้าค่ะก็เลยยอมคิดเอ๊ะจะทาดีไหมทาก็เอ๊ะปะทินฉมไหมทำไม่ไตกทำไม่ได้ทําเพื่อความสวยงามได้ทําเพื่อรักษาล่างกายได้ค่ะค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณครับพระอาจารย์รักษาสุขภาพนะเจ้าค่ะวันวันพระลานนี่เราจะกินไก่ฟองเข้าบ่าง อ่าวันพฤหัสนี้ลูกๆอยู่กับคุณพ่อเขาคะ่ะแต่ว่าวันเสาร์ยมมาแล้วลูกก็บอกว่ายมก็ถามลูกว่าโอเควันเสาร์แม่ไปรับจะให้แม่ทําอะไรคนโต ก, ก็บอกอยากเอาไก่งวงอยากเอาสเต็ก ค, คนเล็กก็บอกว่าอยากจะเอาไก่ทั้งตัวยมก็แบบนี้แม่ต้องทำสามอย่างจริงเหร อ, อแต่ว่ามีไก่เราทําไก่องวงเป็นหรือเปล่าก็มทํากรรมทํากับทุกทํามาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ใช้สูตรเดิม ก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองดูว่ามันมีหลายสูตรเหลือเกินก็ไม่แน่ใจคือทำแค่ว่าเป็นพิธีว่าตั้งไว้บนโต๊ะนี่คือแ k s g i v i ิ g แล้วต้องโยมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแ k s g i v i ิ g แบบเทศกาลนี้จะต้องมีไก่งว ง, งเป็นที่เป็นประธานด้วยบนโต๊ะประวัติศาสตร์ไงทำไมที่พวกคนอพยพเข้าไปอยู่อเมริกาใหม่ๆเขาอยู่รอดปีแรกเขาก็เลยอยากจะขอบคุณพระเจ้า นี่เขาไม่มีอะไรก็เลี้ยงไก่งวงอยู่ก็แเอาไก่งวงนี่มัน่ากินใช่ค่ะโยมก็แบบเออแต่ว่ามันก็เออเรายังต้องสืบสานวัฒนธรรมของเขาใช่ไหมลูกแต่ลูกสาวโยมบอกแนะ่ไก่งว ง, งนะสงสารนะตัวมันใหญ่มากเลยแล้ว เ, เ, เรากินไม่เคยหมดเลยเอามาทำใหม่ตัวเบืเริ่มเลยก็เลยก็เก็บมันกินมาหามันต่อใช่ค่ะคือถ้าโยมําโยมก็ ให้ลูกทานนิดนึงเพราะบ้านเราก็อยู่กันไม่กี่คนก็ทานนิดเดียวแล้วก็ที่เหลือก็จะเอามาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นไก่ฉีกเอาอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้าวต้มไก่ อ, อะไรประยุกไปไปเรื่อยๆค่ะค่ะโอเคอบคุณเดี๋ยวหิว้วเย็อยดวจุดพี่มาเยนนี้อนนี้ก่อนนะค่ะขอบคุณครัอาจารย์คร่ะคุณเกษนาพลมีอะไรไหมคุณเกษนาพล อยากจะพูดไหมถ้าอยากจะพูดก็เปิดไมโครโฟนก่อนแต่ที่หน้าจอแล้วมันจะมีบอกให้อันมิ้เอาไมแตะไม้โอเคพูดได้แล้วกลรบมาพิธ ก, การพระรอาจารย์่ไหนตอน น, ตอนนี้อยู่เยอรมนีแฟรงก์เฟิร์ตครับอพอได้เห็นในเฟ e บุ๊กออนไลน์ขึ้นมาก็เลยเข้ามา มาดูครับมีตีดติดตามป้าจามมานานแล้วครับแต่ว่าได้อ่านมล้วก็ได้ดูเฉพาะไาร้สดไปจามครับอืก็ยังยังไม่ได้เตรีย ม, มคำถามอะไรเลยครับครับว่าไ ม, ไ, ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะถามก็ฟังไว้ยืนยก่อนแต่ว่ายัยงยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นจริงเป็นจังครับก็ ต้องน ำ, งำ<ล>คำสอนพระอาจารย์แล้วก็ดีก็ฟังแล้วก็พยายามนดกตามพยายามที <c oughs> ่จะเข้าถึงคำที่พระอาจารย์สอนในในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเป็นการปฏิบัติก็ต้องบังคับตัวเองให้ปฏิบัติไม่งั้นมันไม่ปฏิบัติ ต้างบอกต้ง ต, งตั้งเวลาไวเลยตั้งวัดตั้งกำหนดตารางไวเลยวันนี้เวลานี้จะนั่งนั่งสมาธิันจะได้นั่งนั่งนั่งสมาธินั่งอยู่ครับพรอะอาจารย์แต่ว่าพอนั่งไปได้สักสามสิบนาทีก็จะหลับไวครับร่างกายจะอยากจะอยากนอนจะอยากพักผ่อน เป็นอย่างนี้เกือบทุกครั้งเลยครับเวลาดูหนังจะ น, นอนเลยใ่ไหมนอ้าไม่นอนจะ ด, ดูได้กี่ชั่วโมงก็ดูได้ครับพราะน่งสมาธิแค่สิบห้าทีก็อยากจะนอนนะใช่ครับประมาณนั้นนั่ น, น, นกินเลสนะกิเลสของของดียันไม่ชอบมันชอบของไม่ดีครับ<ม>แล้วมีเทคนิคเช็ดลับอะไรไหมครับถ้าจะทําให้เราสามารถที่จะ นั่งได้นานนานขึ้นครั บ, รบถ้ า, ถานั่งนั่งนั่งเฉยๆมันไม่นานั่งสวดมนต์ไปก่อนมม่ได้ต้องสวดมนต์ไปถ้าครึ่งชั่วโมงเั่วโมงก่อนถ้านั่งเฉยๆนีมันก็อยากจะนอนนะต้องนั่งเอาถัดถองสวดม น, ด น, มนต์ดูสวดไปหายรอบก็ได้ซ้ากันอิติปิโสร้อยจบดูสวดอิติปิโสไปได้เลยอิติปิโสนะครับเออ จะเป็นไหมท่ปิเสวะปกวาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจายะสัมปัโนสุขโตโลกาวิทูเนียโดยส่วนพระรันนตนสวาก้าโตพระนวตาธมโมสุปปิปันโนเนี่ยต้องคบสามรอัก่นมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใที่ปิเสวใหม่สวดไนหลายหลายหลายรอบรันจะนิ่ได้นานเองแล้วเยอามันหลับ หรือมันอยากจะนอนครับใช่ครับโอเคนะคมีอะไร <ผม S 1> นะผมจะเอาอนะิท e ิเปโซไปสวดครับครับเดี๋ยวคุณยอมจากเยอมมันลอยตั้มมีคนหนึ่งคุณกล้องอคุณกล้องเมื่อกี้คุณแม่เข้ามาแล้วเนี่ยคุณแม่เขาเข้ามาไองได้เก่งนะใช่ผมตอนแรกผมช่วยกันเปิดคอลไลน์ไป แล้วก็ช่วยเองเปิดครับนอนแย่เลยใช่ครับหรือไม่ได้อยู่กับไม่หยุดผมมาเรียนที่ปางแสนเนี่ยครับอ่าที่มอบูร์นะครับผมอยู่นคณะไหนนะเรียนการจัดการและการท่องเที่ยวครับอ่าทำทัวร์หรือทำเตีอะไรนะครับพ่ทหรือพ่อตีอ่อเตี ดีครับตีอยู่แลยอยู่ปีไหนเลยอ้าวเรื่องของคนมันนึ่งครับแล้วอัญญาของยังไม่ดีมั้งเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะอเอาไที่คุณยมอยากยอมมันเมื่อกี้อยากจะถามคำถามใช่ไหมมีไหมอยากจะถามหรือเปล่ามีค่ะอาจารย์คะเมะื่อกี้มีพี่ผู้ชายคนที่ก็พูดว่าปฏิบัติอ่า เดินจงกรมสมาธิสามชั่วโมงต่อวันนะคะโ<ม>ยมก็ ม, มีปัญหาก็คือโยมกำลังจัดการเวลาปฏิบัติตัวเองอะคะ่ะท่านพระอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะกับการที่เรานั่งโยมพยายามที่จะกำหนดเวลานะคะนั่งสมาธิให้ได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงวันละสามครั้ง<ม>กับการที่เราทำแบบภาวนาครั้งเดียวสามชั่วโมงรวดเลยหรือว่าสลับกับจงกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างไหนจะดีกว่ากันคะยังไงให้ผลดีกว่ากันโยมก็อยากทําให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเนี้ยค่ะเอโดยภาพรวมยิ่งมากยิ่งดีคุยง่ายๆหมายถึงว่ามากครั้งหรือว่าเวลาที่นา่ทาทํำนะคะนานไม่นามากเวล า, วลาคือสมอวันหนึ่งเรานั่งสามชั่วโมงสามครั้งได้สามเราก็เพิ่มเป็นสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรเพิ่มให้มันมากขึ้นปริมาณมาก อันนี้โยมก็ต้องต้องดูแบบสิ่งแวดล้อมข้างๆเราด้วยค่ะเพราะว่าโยมเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ต้องทํางานอีกอย่างนี้ค่ะมันเท่าที่เราทําได้ไงบางทียงอยากยะทำมันไม่ทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพว่าเรายไม่ได้ขึ้นทางดวนทางด่วนก็คือพวกนักบวชถ้าเป็นนักบวชเนี่ยเขาปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ ถ, ถ้าเรายังครอบครัวเป็นคาราวาอยู่ยมีหน้าที่อย่างอื่นอยู่ก็ทํำเท่าที่เราทําได้ ก็ถือว่ายังไม่ได้ขึ้นทางด่วนยังถือว่าอยู่อยู่ถนนใต้ทางด่วนรถติดอยู่ติดไฟแดงบ้างติดอะไรบ้างไปก็จะพยายามค่ะไม่รู้คือทำเพิ้ทําทเท่าที่เราทําได้อย่าไปเครียดกัมันถ้ามาทําไม่ได้อย่าไปเครียดกับมันรอรอเวลาก่อนเราโอกาสหน้าโอกาสที่เราอยู่คนเดียวอะไรค่อยค่อยทําให้มันเต็มที่ อ า, อาจจะคิดเป็นวิทยาศาสตร์เกินไปว่าเราจะทํายังไงให้ได้ผลออกมาสูงสุดอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันยงคิดว่ามันใช้ไม่ได้ในทางพุทธศาสนาอาจจะต้องปรับความคิดใหม่ค่ะยิ่ก็ไม่สวยนะคือเหตุเหตุก็คือการปฏิบัติเหตุมากผลก็มากเหตุน้อยผลก็น้อยปฏิบัติมากปฏิบัติมากผลก็มากปฏิบัติน้อยผลก็น้อยค่ะท่านอาจารย์อ่า ทางเดินของใจอ่ะคะ่ะที่ที่เราจะไปอะคะ่ะท่านพระอาจารย์บอกทางสักนิดได้ไหมคะว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าโยมไม่จําเป็นต้องรู้อะไรเลยทําไปเรื่อยๆโยมแค<ช>่กลัวว่าโยมถ้าร่างกายเราตายไปเนี่ยทางที่ไปของใจก็ไม่อยู่สีที่ถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปอบายค ถ, ถ้าบุญกับบาปเท่ากันก็ไปเป็นมนุษย์ แล้วถ้าตัดกิเลสตัดสังโยชน์ได้ก็ไปนิพพานจะมีทางเลืองอยู่สี่ทาง ย, ยมหมายถึงว่าทางเดินของของใจของจิตที่ที่ยมทำอยู่ตอนนี้ค่ ะ, ะยมก็ไม่รู้มันันแหละมันจะไปอยู่สี่ทิศทางเนี่ยก็ตอนนี้เราทำบุญมากน้อยน่ะทำบาปมากน้อยลองพยายามทำบาปให้น้อยทำบุญให้มากมากกว่าบาปมัน สมมติยังไปไม่ถึงนิพพานก็ไปสวรรค์ก่อน<า>ถ้าปฏิบัติมากถาปฏิบัติมากก็ไปสวรรค์เหมือนกันแต่สวรรค์ชั้นสูงกว่าสวรรค์ของเทวดาเ็เรื่องสวรรค์ชั้นพรหมนั่งสมาธิได้มากมันก็จะไปสวรรค์ชั้นพรหมสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพนี้ได้จากการทําบุญทําทานรักษาศีลนะ้า จะไปสูงถ้าเรานั่งสมาธินี้เราไปสูงกว่าแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าชั้นสวรรค์ชั้นพรมเป็นกุศลวันอินิพานก็ต้องพิจารณาตายรักต้องเห็นตายรักแล้วก็ตัดกิเลสตัดความโลภความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจโยมจะพยายามค่ะ ท, ท่านอาจารย์อุตส่าห์ทิ้งของทางโลกไปแล้วอทางโลกนี้เรา <c oughs> ทิ้งอย่างนี้นเอาไปไม่ได้ มาลั่นกายตายไปทุกอย่างในเรื่องที่เราไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะไปได้ก็เนี่ยบุญกับบาปหรือธรรมะสมาธิสติปัญญาเนี่ยเอาไปได้ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะยมจะทําต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะมีนะมีใครยังไม่ได้พูดออกคุณคุณกล้องคุณกล้องกลับมาได้วคือคุณกล้องกลับมาได้ล้วอะจารย์ครับ อ้าวขอโทษครับพระอาจารย์มันหลุดครับอ๋อของพระอ า, าจารย์หลุดเหรอครับใช่เรายังอยู่ไม่ใช่พูดไปเลยอ๋อครับโอเคครับพูดจะไม่เห็นภาพเราแต่ได้ยินเสียงเราก็พูดไปมีอะไรก็พูดไปครับเห็นเห็นพระอาจารย์แล้วครับมีอะไรไหม S <S <S อครับอ่าอ๋อถามพระอาจารย์ครับอ่าอยากอยากไปปฏิบัติธรรมครับอาจารย์แต่ว่าที่ใจเลยก็เ ป, เป็นเป็นห่วงพ่อแม่ครับเขาก็มีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าเขาก็อนุญาตให้ให้ผมไปครับทีนี้บางทีมันก็รู้สึกว่าเราดูแลเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มที่เลยครับเราจะไปอย่างเงี้ยครับ เวลามาเรียนหนังสือหม่กไ ม, ม่เห็นไปคิดอย่างนั้นอนะ่ะอันนี้มาเรียนที่มอบูก็ไม่ได้ไปคิดอะไรไม่ได้เลยเห <c oughs> มืนหมับพ่อแม่ เ, เขาให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนมากครับก็เหมือนกันละ่ะก็ไปปฏิบททัติธรรมก็เรียนธรรมมากเหมือนกันมไม่มต่างกันตรงไหนเลยคุณมาเรียนมอบูคุณไม่รู้สึก ไม่สบายใจแต่พอคุณไม่ปฏิบัติธรรมคุณกลับเป็นรู้สึกไม่สบายใจอืมเป็นเรื่องของกิเลส น, นะกิเลสมันไม่อยากให้เราปฏิบัติธรรมครับมันก็เหมือนกันเวลาคนณไปเรียนหนังสือไปเรียนที่มอบุคุณก็ต้องไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมเวลาคุณไม่ปฏิบัติธรรมคุณก็ไม่ได้อยู่บ้านมันก็เหมือนกันอืมเพราะไงอะ ถ้าเขาไม่แก่เกาไม่เจ็บก็ปล่อยเขาอยู่ก็ไปได้ไม่ต้องไปทำอะไรให้เท่าเลยไว้เวลาที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเราต้องไปเราค่อยไปดูแลเขาก็ได้อันนี้เขายังดูแลตัวค่อยได้อยู่เขาปล่อยเขาดูแลตัวค่อยเองไปเข้าใจไหมครับผมเข้าใจครับพระอาจารย์ครับแล้วก็มีอีกคําพอละบางทีผมเรียนๆอยู่ครับ แล้อว่าบทีใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี้ยบันทีเรียนอยู่แล้วบางทีมันมันเบื่อเบื่อการเรียนมากครับแล้วบางทีเหมือนกับเราคุมตัวเองไม่ค่อยจะอยู่เลยอสีหน้ามันแบบมันจะเบื่อมากเลยมันไม่อยากเรียนนะครับอก็ต้องบอกกันว่าเบื่อไม่เบื่อก็ต้องเรียนเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเรียนก็หายไปความเบื่อมันไม่ได้เบื่อไปตลอดตลอดหรู่สภาพมันก็หายเบื่อมันไปไปมามาลิจารไม่เที่ยง อย่าไปถึงมันเป็นอารมณ์เวลามันเบื่อก็ไปพยายามพุโทโธพุโทโธทําใจให้นิ่งแล้วมันก็หายเบื่อแล้วคิดถึงผลของของการเรียนว่าถ้าไม่เรียนแล้วเราจะยากกว่าเรียนนะถ้าไม่เรียนเรียนไม่จบเนต่อไปเราจะทําอะไรได้ใช่ไหมครับแต่ ง, งานก็สู้คนที่เขาจบไม่ได้คนไม่จบกับคนจบเนี่ยคนจ บ, นนจบ ห, าหางานได้ดีกว่าต้องเห็นดูผลหนึ่งทเทอจะได้รับจากการเรียนแล้วมันก็จะหายเบื่อ อย่าไปอย่าไปอย่าไปดูอารมณ์ดูเหตุผลหรือว่าเรียนแล้วได้อะไรไม่เรียนแล้วได้อะไร น, นะเนี่ยมันก็จะเปรียบเทียบกันนะเรียนดีกว่าเว้ยเบื่อก็ต้องเรียนดีกว่าไม่เรียนไม่เรียนเนี่ยไม่มีงานนะงานก็จะไม่ดีเท่ากับคนที่เขาจบนะครับผมนะคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะมีกําลังใจกลับขึ้นมาเองพระอาจารครับเวลาเรา เดินจงกรมนี้เราถ้าเราพุโทโธไปด้วยหรือว่าไม่พุโทโธไปด้วยจะดีกว่ากันครับยากทั้งนั้นนะอยู่ที่เรา<ม>เดินไปเราอยากให้มันคิดนะเป้าหมายคือหยุดความคิดถ้ามันเดินไปแล้วพุโทโธพุธโทโธหยุดความคิดได้ก็ย้ายพุโทโธไปแล้วเดินดูเท้าไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้เราเราต้องแบ่งอการเดินจงกรมแบบนั่งสมาธิเราต้องแบ่งกันทํายังไงครับ ก็ได้ทั้งสองอย่างถ้านั่งไม่ได้ก็เดินถ้าเดินแล้เมื่อยก็ลงไปนั่งต่อครับขอแค่นี้ก่อนนะคนหนึ่งก็รออยู่บ้างเอครับผมครับสุภัจจาจากด a ล l a สเชอ่าเป็นยังไงบ้างวันนี้มีอะไรมารายงานหรือเปล่าก็กราบนรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็รู้สึกว่าลูกจะละอารมณ์โมโหได้เร็วขึ้นมีสติดีขึ้นเหรวัยขึ้นคิดว่าวัยขึ้นพอพอแบบเวลาหงุดหงิดก็จะมีความรู้สึกว่าเอยไม่อยากเอาไม่อยากแบกอะมันมันรู้สึกไม่สบายใจทิ้งมันไปดีกว่าแล้วมันก็มันก็ทิ้งจริงจริอะแล้วค่ะมันก็มันคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นวันแต่เดี๋ยวนี้ก็อ่ะอย่างน้อยสักหนึ่งชั่วโมงก็ยังดียังเร็วเร็วขึ้ น, นนะตัดความอยากแล้วมันก็เอ๊ะทาไมมีสองภาพมีสองกล้อง ไม่เร้าเหมอือนกันเจ้ค่ะหายไปแล้วโอเคมีสัมภาษณพรู้สึกมีมีขันติขึ้นเจ้าค่ะ<น> ข, ขันติลดความอยากลงแล้วความโกรธมันก็จะน้อยลงไปเองเจ้าค่ะอ ย, อยากได้อะไรอยากไปอยากมีอะไรอยากไม่อยากเป็นอะไรอยากไปอยากใหเป็นอย่างนั้นเป็นนี้แล้วมันก็จะเป็นกรธ อพอพอเวลาโมโหนึ ก, น, กนึกถึงหน้าพระอาจารย์แล้วก็บอกไม่ได้พระอาจารย์บอกให้ยิ้มให้ยิ้มเลยบอกยิ้มให้ก่อ น, นช่วยได้เยอะเลยเจ้าค่ะบอกแสดงว่ามีสติก็ค่ะเจ้าค่ะบางทีก็รู้ว่าหลงก็ก็บอกกับตัวเองอะหลงไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เลีวก็ดึงกลับมาดึงกลับมาพยายามอย่างนี้ยเจ้าค่ะ เ, เห็นว่ามันไปก็ดึงกลับมาดึงกลับมาเจ้าค่ะแสดงว่าเรามีสติถ้าเราดึงจิตกลับมาได้แสดงว่าเรามีสติค่ะเจ้าค่ะ พยายามฝึกสติแล้วก็แล้วก็นั่งสมาธิอะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์สอนะนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าคือคื อ, คอยังไม่รวมแต่รู้สึกว่าก็ก็สงบอะเจ้าค่ะก็สงบถึงแม้ว่าจะเห็นความคิดลอยไปลอยมาแต่เราก็รู้ว่าเราอยู่กับคำบริกรรมอะเจ้าค่ะอ่อาได้พย<ม>ายามพอพอใช้พอใช้ได้ไหมเจ้าค่ะได้ฝึกสติไปเรื่อย แล้วก็ใช้ปัญญาที่จําทุกขังอนุตตาเจ้าค่ะก็ก็เวลาเกิดอะไรขึ้นตามที่พระอาจารย์สอนแล้วเจ้าค่ะก็คือจะพยายามคิดว่าอ้อเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเกิดมันดับอย่าไปเดี๋ยวมันก็ไปอารมณ์แบบนี้มาเดี๋ยวมันก็ไปอารมณ์แบบนี้มาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคิดแต่อย่างนี้ตามที่พระอาจารย์สอนทุกอย่างให้สักแต่ว่าไม่เฉยเฉยไปไม่ต้องไปเปลี่ยนไปแก้มาหรอกเดี๋ยวมันไปเองเวลา่เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ยิ่งอยากฝึกยิ่งอย่างไปยุ่งมันมันยิ่งอยู่นานขึ้นใหญ่ได้เจ้าค่ะมันมันยิ่งดื้ออยู่อยู่นานแล้วไม่มันยิ่งค้าทายดื้อก็เลยแกล้งทําเป็นแบบเอออจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปเราก็อยู่ของเรานเอจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบขาบขอบพคุณเจ้าค่ะ ไม่รู้ยังไม่หายน่าหลายอาทิตย์แล้วดิดีดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าแต่ว่าพอตอนเช้าพันไว้ก่อนกลัวกลางคืนนอนแล้วไปชนอะไรอ่ะเจ้าค่ะก็เลยแบบเดี๋ยวก็ถอดออกแล้วค่ ะ, อ ะ, อะพอดีวันนี้เข้าช้านิดนึงคุณพ่ออยู่โรงพยาบาลนะเจ้าค่ะก็คุยกับคุณพ่ออยู่คุณพ่อผ่าตัดอ่าลิสิดวงที่จมูกอว้เจ้าค่ะคุณพ่อก<ด>็ไปที่ประเทศที่สหรัฐ ด, ด้วย ไม่ไม่ให้ใครอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะเจ้าค่ะญญลูกลูกโทรไปหาค่ะแล้วก็คุยกันแล้วก็เลยทุลาตอนเช้าก็เลยนิดหนึ่งวันนี้ก็เลยรีบเข้ามาสายสา <c oughs> มีรีบรีบร่ายเลยสามีบอกรีบเร็วรีบเร็วพระอาจารย์เดี๋ยวพระไม่ทันพระอาจารย์เจ <c oughs> ้โอเคไม่เป็นไรแล้วเข้ามาไม่ทันก็ดู ด, ดูดูถ่ายทอดสดไปบังผลาดก็ได้เนี่ค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะ ท่านต่อไปคุณบิลคุณบิลวิริจเจ้าขอร้านสกังครับอาจารย์มาจากที่ไหนอยที่ไหนอยู่ชนบุรีครับอาจารย์อยู่ในตัวเมืองครับก็ได้ฟังพอาจารย์มาหนึ่งปีแล้วเดือนหน้าก็ได้ได้เริ่มบวชครับเดือนหน้าใช่ใช่ครับ แล้วก็กออยังเตรียมตัวไปอยู่วัดบ้านบ้างไมังก็มีเริ่มท่องแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเสาร์นี้ไปอยู่วัดครับบวชนานไหมอยากจะบวชนานไหมก็จริงๆนะครับที่จะมาถามพระอาจารย์เพราะว่าวิวจริงๆอ่ะวิวตั้งใจอยากจะบวชไม่ศึกแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ที่บ้านเราเป็นลูกชายคนเดียวครับแล้วก็มีพ่อมีแม่แล้วงานเราก็ลาได้แค่สิบห้าวันถ้าตามกําหนดการแล้วอ่ะเราบวช ในแค่สิบห้าวันแต่ใจลึกๆ ก, ก็ก็อยากจะบวชต่อคือเราก็อยากจะถึงพันิพาในชาติเนี้ยครับถ้าอยากจะถึงนิพพานก็ต้องบวชไม่เสร็จก็นนะยาวอะไรดียาวนิพพานหรือยาวอะไรยาวนิพพานก็บวชไม่เสร็จเนนะี่ยก็อยา่าไปบวชมีกําหนดกําลังการบวชไปอยู่ได้เท่าไหร่ก็อยู่ แค่หมดแรงเมื่อไหร่หมดกาลังเมื่อไหร่ก็สร็จไปครับตอนแรกบิวก็ไปถามว่าจะไปอยู่วัดญานแต่ว่าวัดยาณด้วยต้องอยู่ก่อนเจ็ดวันแล้วก็ใช้เวลาแต่บิวก็เลยบวชทังแถวว่านก่อน อ, อแล้วก็ถ้ามีโอกาสคงได้ไปเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์อีกทีหนึ่งที่คิดเอาไวนะ้ครับได้เคมาได้เมื่อยก็มาอันนี้เราไปไปไปทดลองดูกันว่าเป็นชีวิตพาะเป็นยังไงบ้าง ครับที่ว่าไปทัวร์ก็กลันไปทัวร์วัดไปอยู่วัดไปดูชีวิตของวัดเป็นยังไงวัดจิตใจอาจจะไม่สึกก็ได้นะไม่มีใครรู้บางทีเรามีบุญเก่าพอไปได้บุญก็ได้เชื่อใหม่ได้ไฟใหม่มันลูกเลยพอได้ธรรมะมาสัมผัสปั้บมันติดมันลูกเป็นไฟเป็น พลังขึ้นมาเลยก็ได้แต่เวลาบวก็ตั้งใจทำหน้าที่ให้ครบทุกอย่างมาแล้วกันนะครับได้ครับโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรครับก็เป็นที่ค้างคาในใจก็คือเรื่องนี้แหละครับโอเคถามได้คำตอบแล้วครับโอเคอาจารย์ไพวน ใ, ใหม่นะครับสาธุครับ คุณพานุเหรอคุณพานุนอนมานานแล้วเป็นคนแล้ไปยังไงมีอะไรไหมคุณพานุกับนิัรนะการนิทรรศการพระอาจารย์ครับอ อ, อยู่ที่ไหนอยู่ที่ปาจีนบุรีครับผมเพิ่งติดตามเพจของพระอาจารย์ครับ เ, ออเป็นยังไง่ะมีอะไรจะถามไหมก็ผมรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่า ผมตอนนี้ผมอายุสิบแปดปีครับอยู่ม .6 ก็พ่อแม่ก็พาปฏิบัติธรรมแบบว่าส่วนมนต์นั่งสมาธิครับแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไงนะครับผมผมเลยมีคําถามที่จะมาถามพระอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าสอนวิธีการดับทุกข์ยังไงครับดับทุกขด้วยสติกับปัญญาไง ตอนที่เราไหว้ผ้าสวดมนต์นี่เรากําลังฝึกสติคือคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเวลาเราสวดมนต์เราก็ต้องนมีสติอยู่กับการสวดมนต์ไปคิดถึงแฟนไม่ได้คิดถึงเพื่อนไม่ได้คิดถึงที่เที่ยวที่เล่นไม่ได้อืถ้าไม่คิดถึงมันมันก็ไม่มีความอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่นครับแล้วเราจะมีวิธีการหลุดพ้นยังไง ก็เนี่ยแหละก็ขั้นตอนให้มีสติเพื่อจะได้นั่งสมาธินั่งสมาธิพอจิตสงบก็จะจะได้พบกับความสุขแบบที่ดีแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกเล้นกาย <Okay. S 1> เราก็จะ <Okay. S 1> เราก็จะได้ตัดการไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายนดะ้พอ <Okay. S 1> เราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมีร่างกายต่อไป ถ้าคนถ้าคนที่ยึดมั่นถือมั่นในหลักคําสอนของศาสนานี้จะจะไม่ถือว่าติดติดกับเกี่ยวกับคําสอนนะครับแปลว่าติดกับครับเด็นไม่เป็นไรไนงะถ้าไม่ติดมันก็ไปไม่ได้คําสอนเป็น้องมีประโยชน์มันยาคคนใข้ก็ต้องติดยาต้องกินยาอถ้าไม่กินยามันก็ไม่หายครับที่ จะไปนิพพานก็ต้องติดคําสอนของพระพุทธเจ้า อ, อแต่พอไปถึงนิพพานแล้วก็ทิ้งได้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องติดเหมือนคนหายไข้แล้วก็ไม่ต้องกินยา อ, อ๋ อ, อหมายความว่าหมายความว่าหลักคําสอนคือหนทางแห่งการหลุดพ้นใช่ไหมครับใช่ใชเหมือนแผนที่ไงถ้วก็ไม่มีแผนที่คนก็เดินทางไม่ถูกว่าจะไปที่ไหนใช่ไหมครับ แต่พอคุณถึงตื่นร้ายปายทางแล้วคุณก็เก็บแผนที่ไว้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องการแผนที่ดูอ๋อครับครับก็ผมอน น, อนนี้ยังต้องยึดยึดยึดหลักทำคําสอนอยู่เพราะเรายังไม่พ้นทุกยังทุกยังไม่ดับยัง<อ>ไม่หมดครั บ, รบแต่พอหายทุกแล้วทีนี้ก็เอาเอ า, เอาธรรมะคําสอนเก็บไว้ในนิจชัดด้นไม่ต้องเอามาใช้ก็แล้วอ๋อครับเป็นคําถามที่ผมขาดใจครับขอบขอบขอบคุณอขขขาจารย์ ตอนนี้ต้องต้องยึดติดให้ได้นะอย่าทิ้งตอนนี้เรายังรักษาไม่ได้เรายังทำดับความทุกข์ไม่ได้เราต้องอาศัยธรรมะคำสอนครับโอเคนะครับครับคุณจีรพัฒน์เห็นยกมือขึ้นคุณจีรพัฒน์เชิญเลยถึงคิวคและโอเคอยู่ที่ไหนผม สิรพัฒน์ดำครับท่านอาจารย์อยู่ที่ที่แกลงครับที่ไหนนะที่แกลงครับแกรงครับอยู่ที่แกลงที่ระยองนี่ครับมระยองแกลงโอเคอ่าครับผมเพิเพละอืมเดี๋ยวสักครู่ครับไหมได้ไหมครับท่าอาจารย์ได้ยินนะฮะได้ยินได้ยินเชิญครับครับผมก็มีเรื่องเล่าให้ฟังว่าพอดีเมื่อวานนี่มี อ๋ออยู่ที่อําเภอแกลงครับอาจารย์ได้เชิญแชร์อะไรพูดได้เลยมีอะไรจะเ ล, ล่าครับร อ, รอ๋อพอดีเมื่อวานนี้มีปัญหานิดหน่อยครับในในบ้านนี่แหละก็มีปัญหาคือคือคือในในในครอบครัวนี่แหละก็มีความเห็นไม่ตรงกันกันกบพ่อนะครับแล้วก็เรื่องของการทําสวนเท่านั้นแหละครับก็ขัดใจกันหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ อ, อย่าทะเลาะ ก, กัน <laughs> ถ้าไม่เห็นตรงกันก็อย่าไปพูดกันถ้างนวลส่วน<อ>ตาถ้างนวลส่วนเหมือนครับครับครับก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเขาแต่ว่าคื อ, ค, อคือเห็นในตัวตัวเราว่ามีทุกข์อยู่แล้วก็ร้อนใจอยู่ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยทั้งคืนเลยแล้วก็เช้าก็ตื่นมาก็ได้ฟังธรรมะอุบาจานทร์ไปหน่อยแล้วก็ได้นั่งสมาธิสักทัดนุ่งพอบูบูบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบาบ บ, า, บาเอบบ ปลงซะปล่อยวา่างซนเราไปให้โน้มคิดเหมือนเราไม่ได้หรอกต่างนางนาจิตต่างเขาจะคิดยังไงก็ปล่อยเขาคิดไปนะอย่าไปอยากอย่าไปอยากให้เขาคิดเหมือนเราแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาได้ยินไหมได้ได้เห็นเขาพูดอะไรไปไห ฮะเสียงมันเสียงมันมันมันมันย้อนกลับมาครับอ๋อก็แปลมีอะไรไหมถ้าไม่มีก็เอาท่านี้ก่อนมีไหมบอกก็นิดหนึ่งครับก็พอดีว่าก็ลองใช้สติแล้วก็พิจารณาดูก็คือเห็นเห็นเห็นเห็นทิฏฐิมานะตัวเองยังเยอะอยู่แต่ว่าทำอะไรมันไม่ได้ก็ใช้สติใช้สติแล้วก็ดูมันครับ ไอ้สติก็ดูมันก็แล้วว่าจะเบาลงเออย่าไปตามมันเมันมันมันจะมีมันจะมีทิฏฐิก็ไม่ต้องไปตามมันอย่าไปสนับสนุนมันครับรูแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆไม่ต้องไปเชื่อมันครับผมมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันเราเป็นผู้รู้ให้รู้เฉยๆไปครับครับขอขอบคุณท่านอาจารย์ครับโอเค รู้สกว่า็ทวันอหนึ่งชั่วโมงต่ห้าสิบห้านาทีแล้วตอนนี้มีคำถามทางเฟซบุ๊กมาฝากคุณผูชนมีมีครับเดี๋ยวลาถามได้เลยครับ่าเจอเลยมีทั้งหมดเจ็ดคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณวงสกร์แสงนินกราบครับการให้ทานขอพรกับไม่ขอพรแบบไหนอันนี้ส่งมากกว่าครับ อ๋อการให้ทานนี่พรไม่ต้องขอหรอกขอไม่ได้เพราะบดงทีขอเกินที่ทานมันจะให้เรามันก็ไม่ได้อยู่ดีทําทานนี้มันมีพอรอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปขอก็ได้ขอถ้าขอมากกว่านั้นเช่นทําทานแล้วขอไปพระนิพพานนี่ก็ไปไม่ได้อยู่ดีทําทานไปได้มากก็แค่สวรรค์ชั้นเทพแตต้องรักษาศีลด้วยนะถึงจะไปสวรรค์ชั้นเทพนะ้ ทำไมรักษาสาีงห์ก็ไปเป็นหมาหน้ารัดไฟกองเลี้ยงคำถามต่อไปจากคุณกันตาทาทาเครียดเรื่องการเมืองทําอย่างไรให้ปล่อยวางได้คะอดไม่ได้ เ, เลยค่ะอย่าไปฟังเย่ยปิดบันเทิงอย่างไปฟังปิดหูปิดตาอย่าไปสนใจมันเครียดเหมือนเดินเดก้าหากองไฟมันก็ร้อนเลยก็เดินออกจากกองไฟไปนั่นเอง อัไรที่ทําให้เราเครียดก็เหมือนกับไฟนั่นแหละอย่าเข้ากลองไฟคําถามต่อไปจากคุณโจกพานุเดชหลวงพ่อครับผลทางดับทุกต้องทําอย่างไรครับก็ต้อ ง, งดับกิเลส น, นะความอยากละกิเลสตัณหาให้ได้อย่าไปโลภอย่าไปอยากได้โน้นได้นี่แล้วความทุกข์ก็จะไม่มีคําถามต่อไป กลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าเมื่อก่อนเคยปฏิบัติภาวนามาตลอดสามสี่เดือนจนการนั่งสมาธิเข้าทานได้แบบแว บ, บเดียวพอมีที่ทำให้ห่างจากการปฏิบัติจนตอนนี้ความโกรธมากขึ้นใครทำอะไรไม่ดี น, ดนิดนิดหน่อยๆ่อยก็โกรธควรทำอย่างไรดีคะพระอาจารย์ก็ต้องกลับไปปฏิบัติใหม่ ถ้าปฏิบัติก็จะมีสติมันก็จะลดความอยากได้ลดความโกรธได้พอไม่มีสติความอยากมันก็เพิ่มมากขึ้นยิ่งอยากมากก็ยิ่งโกรธมากคำถามต่อไปจากคุณปอนพรกมลขอน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่าละลบกวนถามว่าถ้าหลับลับปูนเนื่องมามาจากล้านมาจําหน่ายอีกที แบบนี้ถือว่าเราบาปในการส่งเสริมให้เาขาค่าเพิ่มขึ้นไหมเจ้าคะไม่หรอกถ้าเราไม่ไปสั่งเขากต้องหน้าก่อนแล้วพวกนี้ยากปูกี่ตัวถ้าเราไปสั่งไว้แล้วก็ส่งเสริมถ้าเราไม่สั่งเราไปถามก็ว่ามีอะไรไหมวันนี้ถ้ามีเราก็รับมาถ้าไม่มีเราก็ไม่เอาคำถามต่อไปจากคุณตวิสา FK กราบนมัสการท่านพระอาจารย์คะ่ะลูก เรียนถามเรื่องการทำสมาธิระหว่างวันค่ะว่าเราไม่ต้องสวดมนต์ก่อนทำสมาธิได้ไหมคะเพราะทุกครั้งลูกจะสวดมนต์ก่อนทำสมาธิแล้วโดยดกติระหว่างวันลูกจะใช้การฝึกสติโดยใช้พุทโธพุทโธแต่บางครั้งเวลานั่งรถนานๆหรือนั่งรออะไรนานๆรู้สึกอยากนั่งสมาธิ ก็จะลงนั่งเลยโดยไม่สวดมนต์ลเลยได้ไหมเจ้าคะได้ไดถ้านั่งสมาธิได้ก็ไม่นั่งสวดมนต์ลเลยการสวดมนต์นี้เพื่อให้เราเวลางี้เรานั่งสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนคำถามสุดท้ายจากคุณสุมาศพอรอาศัยกรับเรียนถามพระอาจารย์วิธีการละความโลภโกรดหลงทําอย่างไรครับก็ต้องละด้วยสติสมาธิปัญญา เราสร้างสติขึ้นมาต้องสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วก็สร้างปัญญาขึ้นมาก็จะสามารถละได้ถ้ายังไม่มีสติสมาธิปัญญาก็จะลไม่ได้เอาแล้วนะห ม, นะ ห, มมหมดแล้วใช่ไหมครับถามหมดแล้วเจ้าค่ะเอมีใครอยากจะถามไหมถ้ามียกเวอ์ขึ้นมีมีคุณประวิทย์ครับเจิญคุณประวิทย์ ขอบาาทุกท่านครับที่ว่าเดินจงกลมนั่งสมาธิมีอนิสงฆ์มากเพราะเหตุใดครับผมเพราะทำจิตให้สงบพอสงบแล้วก็มีความสุขมากความสุขที่ได้จากความสงบนี่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเป็นมาาเศรษฐีสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งพวงคือความสงบนี้เดินจงกรมนี้จิตก็จะสงบนั่งสมาธิจิตก็จะสงบ แต่สงบไม่เท่ากันเดินจงกรมนี่จะสงบไม่เท่ากับนั่งสมาธิแต่ถ้ายังนั่งไม่ได้ก็เดินไปก่อนพอเดินได้เยอะๆแล้วต่อไปมันก็นั่งได้นั่งได้จิตรวมเป็นสมาธิก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขกังวลเข้าใจไหมหาเศรษฐี้ะบิวเกตก็ เงินของบิวเกตเข้ามาซื้อความสุขแบบที่เกิดจากควาสมสงบไม่ไน่าแต่เงินก็ไม่มีประโยชน์นีครับที่เข้าได้ไปเยอะแยะใช่ไม่มีประโยชน์ไม่ไว่าสำหรับเลี้ยงร่างกายเท่านี้เลง้ยงดูร่างกายแล้วนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรีท่านี้เหรอคุณประเวศครับผมกาลนิสการครับเหมือนกันอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอนญาโตโ ย, ย, าย ว, วันนี้ก็สองชั่วโมงพอดี ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ความในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ